เจริญธรรมทุกคนวันนี้วันพฤหัสบดีที่11ขึ้นสามคำละสามคำเดือนสิบปีมะเมียฮะอ ะ, อะมแม่มะเมียไม่ได้บอกว่าแม่เมื่อไหร่ฮะ Oh, อ๋อแรมเออใช่แรมแรมสามครับบอกขึ้นนะเมื่อกี้ได้พูดเข้าไปได้งั้นเนอะแรมสครับอาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของความรักสิบมิ ต, ติต่อนะอ้าวก็มาต่อที่เราได้อ่านไปแล้วอ่านไปแล้วเราได้ไปถึงมิติที่เจ็ ถ้าอ่านไปถึงมิติที่7แล้วมันจะเข้ามิติที่8เราจะได้พูดกรวมในที่นี้พอถึงมิติที่8นี่แหละเป็นมิติของหลักของศาสนาพุทธิสมาธิธิเพราะว่าตั้งแต่ 1-7 ึงเ็นี่มันเป็นแบบเทวนิยมเป็นความรักแบบเทวนิยม 1-7 ถึงที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นถึงมิติที่เแต่เป็นโลกียะ เป็นโลกียะเป็นความรักทางโลกียะเป็นเรื่องของทางเทวนิยมพอมิติที่8เป็นมิติที่เป็นพุทธเป็นพุทธเริ่มจากมิติที่8เป็นพุทธเราก็จะได้เอามารวมมาขยายความอะไรอะไรเข้าไปให้สมบูรณ์ โดยมิติที่แปของพุทธนี่เราเรียนรู้ตั้งแต่มิติที่หนึ่งมาถึงที่7นั่นแหล ะ, และเราก็เริ่มต้นจนกระทั่งถึงเจดเลยสมบูรณ์ที่หนึ่งถึง7แต่ไม่ใช่เป็นโลกีเป็นโลกุตระแม้มิติที่หนึ่งก็เป็นโลกุตระมิติที่สองก็เป็นโลกุตระเพราะงั้นตอนที่เป็นโ ล, โลกิยะอยู่มิติที่หนึ่งถึงที่7ดนั่นนะ่ะมันก็เป็นแบบหนึง่ง พอเราได้ศึกษาแบบโลกุตระขึ้นไปเราก็จะไล่ลดละนายคลายออกมาซึ่งจะต่างกันกันกบวิธีของโลกียะโลกิยะเขาก็มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปล้างตัวเหตุเขาก็พยายามบรรเทานะถ้าสูงขึ้นบ้างเขาก็รู้เหมือนกันเขาก็หยุดนะมิติที่หนึ่งเรื่องเพกเดิง อ่าถูกลดกินเสียงสัมผัสอะไรหรเรื่องโลกธรรมก็ไล่ดลดไปเรื่อยเหมือนกันนี่แหละเป็นความเข้าใจอง์รวมมีความเข้าใจโลกธรรมซึ่งเป็นกัลยาณธรรมารู้กันหมดแต่ที่ต่าง ก, กันก็อยู่ที่ว่ามันจะมีวิธีวิธีทฤษฎีอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต่างต่างที่ใจต่างาศาสนาเนี่ยเขา จับไม่ติดแม้แต่คนชาวพุทธด้วยกันชาวพุทธด้วยกันก็จับตรงนี้ไม่ติดเหมือนกันจับประเด็นที่ว่าเป็นพุทธเนี่ยมันไปต่างกันตรงไห น, นเป็นอริยะเป็นโลกุตระก็ต่างกันตรงที่จะต้องรู้จากวิธีวิธีทั้งหมดอไม่ว่าจะเริ่มต้นพูดกันแล้วว่าศีลสมาธิปัญญานี่ยมันกว้างศีล ส, สมาธิปัญญาศาสนาอื่นเ้าก็มีเขาก็ทำศีล ส, สมาธิปัญญา แต่สีสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะเป็นไปตามลำดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายแล้วมันเป็นกระบวนการที่เรียนรู้ประมติไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเรียนรู้ประมติไปศีลก็เริ่มต้นก็เรียนประมติคือจะต้องสงบร ว, วังตามโพธิปัจคีธรรม3ามสนะ่น พูดลวงหน้าไปก่อนว่าโลกุตระเป็นอย่างไรนะถึงจริงเราก็อธิบายกันมาหมดแล้วนะถ้าว่าเราก็ค่อยขยายย้อนไปย้อนมาปนไปปนมานะเราก็ตั้งใจฟังไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะงั้นถ้าว่าเรารู้ได้ว่าปฏิบัติแบบโลกุตระหรือทำให้เกิดอริยจริงเป็นแบบประมัดเป็นแบบต้องรู้จากจิตนะรู้จากจิตครอเป็นเบื้องต้น ศีลห้าเป็นเบื้องต้นอะไรเงี้ยแ ล, แล้วเราก็ปฏิบัติตามหลักโพธิปังเจธรรมซึ่งเป็นหลักของโลกุตระเลยพระเจ้าท่าระบุไว้ชัดนะซึ่งก็ชัดนะอาตมาก็เห็นชัดยิ่งยืนยันตามที่พระเจ้าท่าระบุเลยก็ยิ่งชัดใหญนะ่ตามการปฏิบัตินะสติปัฏฐานสีสมปทานสี่อิทิบาท4ี่มาจริงๆเลยเข้าไปถึงจิตเจตสิกนะ แม้แต่ข้อที่หนึ่งกายในกายเวทนาในเวทนามาไปถึงจิตเราไงเวทนาก็จิตจิตในจิตก็ยิ่งจิตชัดในสติปัฏฐานสี่นะเราเห็การปฏิบัติของพุทธจึงไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วมันไม่รู้เรื่องของจิตปฏติบัติแต่กายกับวาจาที่สอนสอนก็อยู่ทั่วไปแม้แต่ในวงการาศาสนาพุทธกระแสะหลักเลยมันก็เลยยังไม่ เป็นโล ก, กุตระหรือยังไม่เป็นพุทธที่เดินทางถูกต้องมันต้องเดินทางถูกต้องมาตั้งแต่ต้นเลยศีลห้าก็เป็นมาตรฐานในระดับต้ น, นจะมีความหมายเบื้องต้นไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขามีใครอะไรก็ไม่นะมายความว่าจะต้องลวดพลาดไปถึงกามขนาดไม่มีกามเลยไม่มีเรื่องคู่เรื่องเพศเลยอะไรทีเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้น เราก็จะต้องเข้าใจถึงกรอบขอบเขตของการให้ปฏิบัติไปตามลำดับนะเอาเรามาไล่ๆต่อดูอ่านไปก่อนอ่านค่อยๆดูรายละเอียดไปรวมๆเข้าใจเป็นโครงโครงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไปอธิบาย ล, ละเอียดเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นมิติที่แปเะนะเอาเราอ่านในอัน อ, อันนี้อันสั้นเนี่ย อันที่เขียนนี่มาถึงมิติที่5แต่ว่ามาถึงอันนี้เร า, าอ่านแค่มิติที่4น่มาเล่มเก่าอ่าเล่มเก่าไม่ค่อยมีกันอาตมา ก, ก็จะอ่านของมิติอของเก่าก่อนนมันมีแค่หน้ากว่าเองหน้าครึ่งกว่าไม่ถึงสองหน้าดีนะมิติที่4ตอนนี้ก็ตัดขอบเขต แล้วระหว่างเชื้อเชื้อแห่งคนที่เป็นวงศันญ า, าติเรายัางถือว่าเป็นตระกูลเป็นสายเชื้อแห่งคนตระกูลไหนก็เป็นเชื้อสายแห่งคนถือว่าญาติทีนี้มิติที่สี่นี้ตัดรอบไปอีกรอบหนึ่งไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าไม่จ่ายความรักอยู่แต่ในระหว่างแค่ผัวเมียโตขึ้นไปก็เป็นไปแค่ลูก แล้วก็ไม่ใช่แค่ญาติมันก็ไม่ใช่แค่กรอบบนคู่เท่านัานน้นหรือว่าแค่ลูกหรือกว้างออกมาขึ้นแค่ญาติใิติดทีสีนี่กว้างขึ้นไปอีกเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติกว้างเลยความเป็นสายโลหิตเป็นสายของตระกูลไปเลยกว้างขึ้นอีกแต่ก็ยังมีกรอบขอบเขต เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ได้เป็นเพื่อนบ้านชาว แ, วแวกเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันอะไรนี่กว้างขึ้นไปตามแรงไปตามกำลังของเราอะไรก็ได้นะแต่ว่ายังไม่กว้างออกเป็นเกินอย่างมากก็แค่จังหวัดก่อนนะสูงสุดในมิติที่สี่ประมาณจังหวัด ไม่ก็มีเขตขนาดนั้นประมาณนั้นเป็นเขตที่ขีดไว้ว่า ก, กว้างแต่มันกว้างขึ้นอ่ะกว้างขึ้นจากมิติที่สก็มีความรักเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลื อ, อจ่ายแรงวัตถุจ่ายแรงงานทางกายทางปัญญาให้แก่เขาได้มากขึ้นเราก็เป็นผู้ที่จะต้องลงทุนมากขึ้นเพราะว่าเราเองเราเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนเป็นความเผื่อแผ่ความรัก ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแผ่ขึ้นกว้างขึ้นนะก็ต้องลงทุนมากขึ้นแหละนะเราต้องมีสมรรถนะช่วยเหลือเฟือไฟคนอื่นนะเป็นประสิทธิภาพที่มากขึ้นจึงจะสามารถหาวัตถุหรือว่าทรัพย์สมบัติได้มากแล้วก็จะได้เอามาเอาทรัพย์สมบัตินี้ออกไปจ่ายไปแจกไปช่วยเหลือเกื้อกูลพวกนี้ ที่มันกว้างขึ้นเนี่ยได้มากขึ้นไปช่วยเหลือข้างนอกกว้างขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าข้างในนี่เราไม่ไม่ไม่ไม่ช่วยแล้วนะไปช่วยข้างนอกเลยข้างในนี่ไม่ช่วยแล้วไม่ใช่นะมันช่วยตั้งแต่ข้างในไปเรื่อยกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปแม้ข้างนอกก็ต้องช่วยไปตามที่เรามีแรงแต่ก็ไม่ได้ขาดข้างในข้างในก็ยังช่วยอยู่อย่างเดิมแน่นก็เดิมด้วยอะไรงี้เป็นต้น น่นไม่ใช่ว่าไปข้างนอกเลยฟังข้างในจิกระบงเลยถ้าไปทำงานเนยอย่าช่วยนะอโศกพังแน่แนเลยสาธารณภูมิคีย์โอ้โหเราไปสาธารณภระิคีย์ข้างนอกวะน ะ, ะมิติที่สีอ่ออกไปช่วยคนข้างนอกหมู่มิตรสหายในตามเพื่อนบ้านตานําบลอําเภอจังหวัดข้างในกลวงเลยไม่ช่วยทางข้างในญาติข้างในไม่ช่วยแล้ะอ่า ลูกเต่าเหล่าล้านข้างในไม่ช่วยเจงกระบงเลยกลวงเลยตายาอยากไปเผินเข้าใจผิดข้างในก็จะต้องแน่นอยู่ก่อนแน่นเสมอถ้าเพราะว่าเราเองเรายังไม่กว้างได้เราก็ไม่ไปมิติที่สี่เราก็ไม่เพิ่มจะเพิ่มไปช่วยเกื้อก้างออกไปหาคนนอกสายเลือดนอกยากแล้วเป็นมิตรสหายาซึ่งเป็นสังคม เรียกว่าเป็นสังคมกว้างขึ้นก็เรียกว่าสังคมนะสังคมนิยมนะหรือชุมชนนิยมเป็นชุมชนเป็นสังคมกว้างขึ้นเป็นกลุ่มชุมชนขึ้นไปเราก็ถ้าเผอว่าเรียวแรงแล้วไม่มีเราก็ไม่ต้องนะเดี๋ยว่อยจะอธิบายนิดนึงเดี๋ยวเขาย้อนอ่านจบก่อนนะแต่ทุกหนักลงไปกับเก่าเพราะว่าเราเองเราจะต้องใช้ทั้งเรียลแรงทั้งทุนรอนนะทั้งความอุตสาหะวิญญาะนะ เมื่อคนนี้ต้องยอมทนทุกข์เพราะว่ามีความรักใหญ่ขึ้นความรักมันแพ่กระจายไปกว้างมากขึ้นพูดกันตรงๆก็คือว่ามันก็ก้อนโตขึ้นมันไปช่วยคนมากขึ้นความทุกข์จึงโตขึ้นด้วยเป็นปฏิภาคตรงไม่ใช่ปฏิภาคกลับที่ว่าความทุกข์นี่คือความหนักไม่ใช่หนักใจแต่หนักกาย หนักทางวัตถุทางทรัพย์ข้างนอกทางแรงงานข้างนอกนมันไม่ได้หนักใจเราจะต้องรู้ภาคของใจกับภาคของกายกายนี่มันก็คือองค์ประชุมอย่ข้างนอกที่เราเกี่ยวถึงเรียกว่ากายมันรวมทั้งวัตถุมันรวมทั้งพฤติกรรมมันรวมทั้งจิตวิ ญ, ญญาณที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอาตมาเขพยายามอธิบายแล้วคว่ากายทึงจิตไม่ได้นะกายมันต้องมีความหมาย ที่เราไปเกี่ยวข้อมีจิตวิญญาณเราไปรับรู้แล้วก็รับสัมพันธ์ทํางานร่วมเรียกว่ากายถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่ถ้าไปร่วมแต่เฉยๆใข้างนอกไม่มีเกี่ยวกับจิตใจเลยมีแต่วัตถุข้างนอกอไปไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอทุกอย่างมีแต่เรื่องของวัตถุเอาวัตถุเป็นตัวตั้งบวกลบคูณหารดูรายละเอียดดูอะไรอะไรเป็นเรื่องของวัตถุหมดจิตใจไม่คํานึง อยางงั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้านะแต่เอาแต่วัตถุไม่ได้นะ อ, นอันนี้แหละสำคัญนคนที่ยอมทุกขแต่เผื่อแผ่ผลประโยชน์ทั้งวัตถุทั้งแรงกายและแรงปัญญาให้แก่ผู้อื่นได้ดูนะก็นับว่ามีค่าในโลกนะลองคิดเห็นให้ดีแลวกันมิติทิวานี เรามีค่าเราเป็นประโยชน์ต่อลูกมันก็เป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อญาติก็เป็นคุณค่าประโยชน์กว้างขึ้นต่อมิตรสหายกว้างขึ้นมันก็เป็นคุณค่านะเป็นมิติที่5ที่6เดี๋ยวก็ต่อไปมันก็ยิ่งจะกว้างมันก็ยิ่งจะเป็นคุณค่ามากขึ้นอ่าเป็นคุณค่าในโลกมิติที่หนึ่งที่สองที่สนั้นก็ได้เป็นปริวัติหมู่ที่หนึ่ง 123 ส, สถ้าเรารู้แล้วที่อัตมาพยายามอธิบายถึงสังขยาเลขพวกนี้ประวัติที่หนึ่งนง่สองสะย อ, อยู่ในวงแคบแค่ตระ ก, กูลหรือวงสาขาญาติหนึ่งสองสพอเริ่มมิติที่สออกนอกปริวัตรเป็นหมู่มามู่ที่หนึ่งเป็นสเนี่ยพ้นตระกูลในแวดวงของตัวเองละเป็นความรักที่ออกมาให้แก่ผู้อื่นบ้าง แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงในสังคมใกล้ชิดในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดอะไรเงี้ยยังไม่กว้างขวางนักเพื่อแผ่ไปแค่วงสังคมน้อยๆ ย, ยังไม่กว้างขวางอ่ามากมายเรียกว่าความรักของสังคมใช้คำว่าสังคมมันแค่กว้างๆไปหาสังคมไปหามิตรสหายที่จริงก็เป็นเรืกก่องกระดาษเป็นเรื่องสังคมก็ได้นะต่ตามาก็เลย ตั้งเป็นภาษาที่มันทันขึ้นว่าชุมชนสังคมนิยมเป็นชุมชนนิยมซึ่งความหมายสังคมนิยมที่อาตมาใช้ภาษานี้จะต่างกันกับสังคมนิยมที่ในโลกในระบบสากลก็ใช้กันเพราะงั้นจะใช้สังคมนิยมมันก็จะดูไปซ้อนไปซ้าของเขาซึ่งจะทำให้เข้าใจเพี้ยนเราเอามาใช้ชุมชนนิยมดีกว่ามันจะชัดเจนดีกว่าเป็นกรอบ มิติที่สี่คือชุมชนนิยมนี่แหละยังชาโวโศกเราเนี่ยนะชุมช น, นในหมู่กลุ่มพยายามเกื้อ ก, กูลกันให้แน่นแล้วเราจะไปเกื้อ ก, กว้างไปถึงมิตรสหายข้างนอกเขาด้วยมิติที่สีนี่เริ่มยังคือเราทำอยู่แล้วก็ค่อยทำมานะยังไปช่วยเพื่อนบ้านไกลเคียงเรากคยไม่บางอาจเข้าไปถึงขั้นอำเภอจังหวัดเรายังออกไปไม่ไหวหรอกนในหมู่บ้าน ในตำบลแค่นี้เราก็ยังไปไม่ได้กี่หมู่บ้านเลยนะแล้วก็อย่างนี้นะกว้กางยังไม้ออกออกไม่ได้มันยังออกได้ไม่ได้ยังไม่มีปรรัญญายังไม่มีแรงแรงยังไม่มีวัตถุแต่เราก็มีน้ำใจจิตปัญ ญ, ญาของเราเป็นจริงว่าเอ้ยเราเรามีใจเอือ้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ได้คิดที่จะใช้คนอื่นที่จะมาร่วมผลผลิต มาร่วมแรงงานกับเราแล้วเราก็เลยจะต้องเอาอันนั้นมาเป็นโอกาสที่เราจะไปที่เราเอาเปรียบเอรัดไปกินแรงไปกินวัตถุของคนอื่นเขาซับซ้อนไอ้อย่างนี้เราไม่นิยมนะไม่เอาเลยไม่นิยมเลยและทิศนี้อย่างนี้นะถ้าเราเองเรายังช่วยคนอื่นไม่ได้ก็ช่วยตัวเองให้ได้ช่วยหมู่กลุม่มเด้งให้ได้ช่วยชุมชนให้ได้ก่อนแล้วหรือช่วยในวงสาคลนานา ญ, ญาต จริงๆแล้วของเราอาโศกนี่มันมีความหมายซ้อนพวกเราในญาติติดธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าชุมชนนิยมเนี่ยหรือสังคมนิยมของเราเนี่ยมันรวมเอาความเป็นญาติไว้แล้วมันรวมเอาความเป็นญาติไว้แล้วซึ่งอาตมาก็นิยามแล้วลไม่ถามผู้ใหญ่เนี่ยจะจําได้แล้วจะตอบถูกถามเด็กก่อนดีกว่า ลงปู่เคยอธิบายมาแล้วญาตหมายความว่าอะไรความหมายญาตหมายถึงอย่างไร เ, เด็กๆไม่ค่อยได้ฟังนะแต่ผู้ใหญ่เคยจำเคยซ้ำแล้วยาตหมายถึงอะไรเป็นเครื่องแสดงว่าความเป็นญาตินะ ว่าไงใครจ ะ, จ, ะจะสามารถตอบยกมือเด็กๆก่อนแล้วค่อยถามผู้ใหญ่ถ้าเด็กไม่ได้ไ ม, มีใครตอบค่อยถามผู้ใหญ่มีไหมใครจะยกมือตอบเด็กๆไม่มีเลยเนาะโอ้ย่าให้ความหมายไม่ได้เลยเอ้าผู้ใหญ่ที่อ้าใครได้จำได้โอ้โหหลายคนอยู่อา้าวหมายความว่ายาอา่า ความหมายของความเป็นญาติเนี่ยจำไว้เลยนะจําไว้ให้ดีจําไว้ให้เข้าใจทําให้ขึ้นใจและปฏิบัติให้ตรงเลยว่าเรามีญาติญาติหมายความว่าเราพึ่งพาอาศัยกันได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้จริงๆนี่คือนิยามของคําว่าญาติไม่ใช่เป็นหมายความว่าญาติก็คือสายเลือด ญาติก็คือตระกูลออกมาจากสายเลือดสายตระกูลที่โยงใยต่อมาจากทวดของทวดของทวดของทวดแล้วก็มาเป็นต่อลมาต่อลงมานะเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าอะไรมาจนกระทั่งมาถึงมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นปลุงเป็นน้าเป็นอาอะไรต่างๆมาจนมันไล่มานึ่คือญาติเท่านั้นไม่ใช่สายเลือดอย่างนั้นนะมันใช่อยู่แต่มันไม่มีความหมายอะไรไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจํามันก็เป็นของมันตัวมันเองอยู่แล้ว ญาติแบบนั้นน่ะนะไอ้แบบนั้นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเป็นอะไรเลยมันก็เป็นของมันอยู่แล้วถ้าเผอว่าไม่มีสํานึกจกตัวอย่างชัดๆถ้าเผอพ่อแม่เนี่ยคลอดลูกออกมานะเขาก็ไม่มีการช่วยเกิดช่วยเลี้ยงดูนะ พึ่งเกิดพึ่งแก่ lamps, พึ่งเจ็บพึ่งตายลูกก็ต้อง age, พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งตายจากแม่พ่อแต่พ่อแม่ไม่ทําหน้าที่ช่วยให้เกิดเนี่ยให้อยู่ได้ไม่ให้เกิดได้แก่ก็ช่วยเจ็บก็ช่วยอะไรกันด้วยไม่ให้ชะลาเอาแล้วตั้งแต่เด็กก็ยังไม่ทันจรางห้มันโตมันเจริญขึ้นแต่ไม่ทําหน้าที่นี้พ่อแม่ก็ไม่ใช่ยาพ่อแม่ก็ไม่ใช่ยา เป็นแต่เพียงคลอดออกมาให้ไปตัวตนเฉยๆแบบนี้สู้ไดไดจชานยังไม่ได้เลยเดรด้ชานมันยังให้ลูกพึ่งพึ่งเกิดมันอาจจะไม่ถึงขั้นกว้างขวางเนื้อว่าครบสมบูรณ์เหมือนคนพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันไปเลยสัตว์เดรัจฉานมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนเนี่ยเป็นได้และควรจะรู้จักด้วยปัญญาจริงๆเลย นี่แหะคือความหมายคำ ว, ว่า ญ, ญาติหมายความว่าความว ญ, ญาติเพราะฉะนั้นเรารู้ความหมายของมิติที่สความเป็นญาติแล้วเมื่อเราจะเผื่อแผ่กว้างข ว, าง ข, วางขึ้นไปถึงขั้นมิติที่สี่ไปถึงมิตรสหายข้างนอกหรือแบบกว้างขึ้นไปอีกเมื่อกี้อาตมาอธิบายกลับมาสู่วงในของชาวโสเราซึ่งของเรามืนเหนือชั้นของเขา มาเป็นชุมชนชุมชนนิยมหรือเป็นสังคมนิยมแบบแกนเพราะฉะั้นเราชุมชนของเราเนี่ยมันเป็นญาติกันแล้วแน่นแล้วจึงออกไปช่วยสังคมนิยมข้างนอกเขาเป็นสังคมที่แผ่เกืี่ยกว้างออกไปจากความเป็นญาติเพราะแกนแกนของเราเนี่ยมันเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันในชุมชนของเราเป็นรูปเป็นร่างเป็นกาลังรวมที่เป็นปึกแผน่นสร้างสรรแลวก็มี บินในหรือว่ามีกฎระเบียบหรือว่ามีระบอบมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมสังคมของพวกเราเนี่ยอยู่ตามมีหลักเกณฑ์มีวัฒนธรรมช่วยกันยิ่งเป็นขั้นสาธารณภพอีนี่ดูง่ายเลยเห็นง่ายเลยมีองค์รวมเท่าไหร่ชุมชนเชาโศกมีเงินชุมชนของประชาเนีโศกมีเงินเท่าไหร่มีวัตถุสิ่งของอะไรเท่าไหร่ มีพอที่จะอาศัยใช้สอยในนี้ประจําตั้งแต่วัตถุที่กินประจําทุกวันใช้ในวันแต่ละวันวัตถุต่างๆใช้กันอยู่ในนี้ทั้งของเครื่องอุปโภคบริโภคเรามีพอมีพร้อมไหมแล้วเราก็ได้อาศัยใช้สอยของเราครบคันแข็งแรงหรื อ, อยังยิ่งไปการพึ่งพากันโดยอาศัยสิ่ง เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหลนั่นแหละในหมูมนุษย์สัตว์ในดิฉันมันก็อาศัยแต่มันไม่สะสมแล้วมันก็ทำเปกินเท่านั้นเป็นหลักเลี้ยงกินกินแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจาก ด, ดีหน่อยมันก็มีรังมีบ้านมีรังอยู่เท่านั้นแล้วมันก็ไม่นุ่งผ้ามไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวเรื่องเครื่องนุ่งหม่มไม่เกี่ยวเรื่องของยารักษาโรคมันก็ไม่เกี่ยว แล้วยิ่งบริการต่างๆไม่เกี่ยวเลยบริการต่างๆมันยิ่งไม่ยุ่งแต่คนเนี่ยมันเยอะจริงมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันบานปลายทะโลกะโถกไปนจนไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าบริการจริงๆมันคืออะไรบ้างเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ปัจจัยที่7อะไรโอ้โหแทนที่จะแค่มีปัจจัยสเดี๋ยวนี้มันไม่สี่แล้ว แปดก็น้อยไปแล้วเดี๋ยนี้แล้วกลายเป็นปัจจัยต้องจำเป็นเลยน ะ, ะถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ได้วั น, ว, นวันต้องสร้างต้องสันต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้อยู่จริงๆซึ่งมันเป็นโลกที่บานปลายมันเป็นโลกที่ขยายอะไรออกมาแล้วเอพราะใ น, นรูปแบบของพวกชาวเราชาวโศกเนี่ยมันเป็นความความเจริญมันเป็นความเจริญ มันเมื่อกี้ว่าจะพูดสมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์มันเป็นความเจริญที่ที่เจริญมาเป็นรูปธรรมนะเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีที่ชัดอาตมาว่าชัดอาตมาก็แม่ตัวเองไม่เก่งยังไงยังไงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่เก่งในการอธิบายมันอยากอธิบายยิ่งกนเนี้นะ มันรู้สึกว่ามันมีอะไรอะไรที่ควรจะขยายความมากกว่า น, นี้แต่มันไม่มีนิรุติปฏิพานมีแต่ข้างในอันอันอยู่เป็นอัต ธ, ธรรม ะ, ะซึ่งมันก็มีในของพวกเราแล้วแต่อาตมายังจับคลี่ไม่ออกคลี่ออกมาขยายความไม่เคยออกรู้สึกว่ายังไม่ไม่เก่งอะ่ะมันมก็ตะตะไว้ก่อนข้างไว้ก่อนแล้ไว ว่าหลังมีอะไรขยายได้อีกกว่ากันไปนะลองอ่านดูก็กล่าวของไอ้นี่ก็หน้านึงพอดีของที่มาเรียบเรียงในเล่มใหม่เนี่ยที่มีกันทุกคนนลองดูที่มิติที่4คือความรักที่เริ่มขยายออกสู่ผู้อื่นที่นอกจากญาติเป็นการขยายความรักที่อยู่ในไม่อยู่ในแค่วงศาคณาญาติออกไปนะขยายความรักที่มีอยู่แค่วงศาคณญาติคือมิติที่ามเนี่ย ออกไปสู่หมู่มิตรสหายอันเป็นสังคมใกล้ชิดมิตรสหายที่กว้างขึ้นกว่าเพียงวงญาติเท่านั้นออกไปได้อีกอาจจะแผ่ความรักความเกื้อคูณออกไปแค่เพื่อนฝูงหมู่คณะยังไม่กว้างมากมายถึงระดับที่มีใจมุ่งหมายเพื่อประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศทีเดียวแต่ก็เป็นความเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อแผ่กว้างเกื้อ กระจายออกจากขอบแคบแค่วงยาพี่น้องสายโลหิตมากขึ้นแพ่ความรักออกสู่มวลชนเพื่อนพ้องกว้างขึ้นเป็นกลุ่มชุมชนเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจริงๆนะแต่ขนาดนั้นจังหวัดเราก็ยังไม่ค่อยได้อะไรมีกระปิดกระปลอยเล็กๆน้อยจังหวัดเขาก็จะต้องมาช่วยเราด้วยซ้ำไปเราก็ยัง บาทีเ ก, ก็อะไรแต่ใดบ้างมาหาเราช่วยเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆไงแต่ว่าไอ้ส่วนในหมู่บ้านตำบลตรงนี้เรารู้สึกจะพอได้นะเป็นตำบลอำเภอจังหวัดเป็นความรักที่มีภาระนะมีภาระมากขึ้นก็ต้องนับว่าเป็นความรักที่มีคุณค่าสูงขึ้นเพราะความรักเช่นนี้นี่คือการลดความเห็นแก่ตัวของเราลด ต, ต, ตัวตัวเราของเราเนี่ย ที่เป็นแค่วงศาคนาญาติซึ่งยังแคบก็ขยายกว้างขึ้นไปสุมวลมนุษยชาติเพิ่มขึ้นอีกแล้วจึงนับว่ามีคุณคา่าเพิ่มขึ้นกว่าความรักมิตรที่สาใครก็ตามที่เห็นแก่ความสุขของผู้อื่นที่กว้างขึ้นสามารถเสียสละเพื่อแผ่รือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้มากไปกว่าวงศาคนาญาติ แม้จะเป็นเพียงมิตรสหายแวดล้อมก็ดีหรือผู้คนอื่นๆในแวดวงใกล้ๆก็ตามก็นับว่ามีความรักที่เจริญขึ้นเป็นความรักที่ดีงามเป็นประโยชน์ใหญ่กว้างขึ้นมีค่าสูงขึ้นตามความเ อ, อื้อเฟื้อเกือเก้อกว้างที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นนั้นนนั้นจะแผ่ขยายออกไปจริงยิ่งแผ่เผื่อแผ่กว้างเกื้อกว้างเกื้อออกไปได้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเป็นความรักที่มีคุณประโยชน์คุณประโยชน์ชนสูงข่ามากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นนี่คือความรักวิติที่สีนี่เรียกว่าชุมชนนิยมหรือสังคมนิยมนะอย่างพวกเราเนี่ยมันมีนัยยะที่สอนซอนอยู่เช่นว่าเราเกือกเก้อก้างเกื้อก้างคนรอบระข้างเราไม่ได้ออกไปช่วยข้างนอกหรอก แต่ข้างนอกเน่ยเขาเข้ามาอาศัยให้เราช่วยข้างในเช่นคนมาทํางานอยู่ในข้างในเราเนี่ยข้างนอกเน่ยเขามาทํางานในข้างในเราเราก็จ้างกขาวานเขาช่วยทํางานในนี้แล้วก็อา้าวเอาละเราก็เมื่ออันนี้เราไม่ทําเองเราให้เขาทาเราก็ไปทําอื่นบางอย่างเราบางทีเราก็ทำํำเองไม่ได้ด้วยซ้ําเราทําไม่ได้แต่บางอย่างก็ต้องอาศัยคนอื่นคนอีกด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น นั่นแหละเราก็เกื้อก้างช่วยเผื่อแผ่เกื้อกูลอาศัยกันเขาก็เลี้ยงตนเขาก็อาศัยเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตเหมือนกันอย่างนี้เราก็คือการเผื่อแผ่เกื้อกว้างมันซ่อนมันเหมือนเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นตัวรูปธรรม ท, ทางวัตถุทางสถานที่เราอยู่ข้างในที่ของเราเองก็จริงแต่คนเข้ามารับ ประโยชน์เราก็คือนอย่างนี้เป็นต้นเป็นพฤติกรรมหรืออะไรหรือเราอยู่ที่นี่แหละทางอำเภอมาขอแรงขอความช่วยเหลือทางตำบลทางหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้เข้ามามาขอเราไม่ได้กระโดดออกไปเราแต่เขามาขอหรือว่าเขาเข้ามาแล้วล้วก็ทัมพัน์กันมีโอกาสได้เชื่อมกันได้ช่วยกันโดยเราไม่ได้เป็นต้นคิดแต่เขาคิดเขา ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือว่ามีอะไรเราช่วยเขาได้อะไรมาอย่างนี้เป็นตน้นมันก็เกิดสัมปัติสัมพัทธ์กันไปไปมามาซึ่งมันเป็นพฤติกรรมอ่าเป็นการงานในพฤติกรรมเป็นการงานที่มันเกิดผลต่อกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยที่เราไม่ได้ทํากับเขาอนะ่กับผู้อื่นเขาที่เราช่วยเหลือหรือทํางานร่วมกันเนี่ย อาศัยเขาเป็นเครื่องมือในการที่จะแกลกราบจศสรรเสริญโลกีสุกโลกุตโลกิยะอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเรามีแนวคิดนะแบบโลกโลกแนวคิดที่จะได้เกี่ยวข้องกับทางผู้อื่นแล้วก็ถือผู้อื่นเป็นลูกค้าถือผู้อื่นเป็นเบีย้ยถือผู้อื่นเป็น ผู้ที่จะเข้ามาเชื่อมโยงเราก็เป็นผู้ที่เราจะดูดเอาผลประโยชน์จากเขาดูดเผลประโยชน์จากเขามันก็ซ่อนซ่อนอยู่บางทีมันไม่เป็นรูปธรรมวัตถุธรรม ท, ทีเดียวแต่มันเป็นนามธรรมาซ่อซ้อนอยู่ก็มีอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ลึกๆเห็นให้จริงเลยว่าคุณค่าจริงๆของการเกื้อก้องกางการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าท่านเราจะมีความรัก มีน้ำใจความรักคือน้ำใจเนี่ยเป็นน้ำใจที่จะเกื้อกว้วงออกไปที่จะเผื่อแผ่คนอื่นนัมันไม่ได้หมายความอย่างตื้นตื้นอย่างที่คนอวิชชาหรือปุถุชนโอ้เรามีลูกค้าเยอะเรามีคนรู้จักเยอะเรามีใครมาหาเยอะเราก็ได้ลูกค้าเยอะล้วก็โอ้เอาเลยอ่าดีไม่ดีก็ในข่าวด้ค่าวหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่พิมอ่า มไม่รู้ตอนนี้เขาก็จับผิดกันอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีการหาเลาทางให้คนเข้ามาแล้วก็มาเป็นลูกค้ามานะบริจาค ไ, ไม่รู้จะมีการขายของขายรหาวิธีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่บริจาคว่างั้นได้ไนปะวันละเป็นแสนทองแสนอะไรกันแล้วแต่ได้อยู่นั่นแนะไนะอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ ไม่ใช่เราเกื้อกูลเขาไม่ใช่เราเผื่อแผ่ความรักเขานาันเป็นวิธีที่คนละเรื่องเลยผิดหมดเลยนะซึ่งมันซับซ้อนนะคนนึกว่าเขาจะมาพึ่งเขาจะมาได้อะไรจากลวงปู่พินมาได้อะไรจากคนนี้แต่กลับไม่ใช่ได้อะไรเลยอาจจะมาบริจาคมาโอ้สัทธาเลื่อมใสอะไรนี่มันภาวะที่ซ้อนมากเลย เราเชื่อถือภาวะคนที่มีจิตใจเราเชื่อถือหรือว่าเรารับถือเราอยากจะให้หรือเราจะได้อะไรจากที่เราให้เรามาให้เนี่ยเราจะเราจะได้อะไรจากผู้ที่เราให้เออคนพวกนี้เขาก็ยากที่เขาจะคิดออกเออแล้วเาจะได้อะไรเขาก็ไปได้แต่อะไรที่เป็นเรื่องโอ้โหวิมานเป็นวิมานอย่างไปทางาศาสนานี่นะ มันเป็นวิมานว่ะเขาถ้าไปช่วยคนนี้ไปบริจาคอันนี้ไปทําบุญทําทานไปช่วยกุญแจอันนี้แล้วกับวัดนี้กับองค์นี้กับคนนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะได้นะถ้าได้จริงถูกเอามาช่วยวัดนี้มาช่วยผู้นี้มาช่วยอันนี้แล้วเขาได้จากเราไปจริงเขามาช่วยแต่เขาได้ไปยิ่งกว่าที่เขาช่วยเรา จะเป็นวัตถุวัตถุพวกเรานี่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่วัตถุเราน้อยแต่ที่พูดนี่ที่เราไปช่วยหมู่บ้านไปช่วยข้างนอกเขาไปช่วยอะไรขึ้นมานี่มันมีวัตถุเป็นตัวเห็นแต่ที่จริงเรามีน้ำใจไปก่อนจริงๆเรามีใจให้หรือเรามีความรู้เราเรามีความรู้เรามีน้ำใจมีความรู้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ที่นี้เราให้ข้างนอกเขาเนี่ยเราให้ความรู้นี่ ยังยากยังไม่ได้เราก็ให้วัตถุไปก่อนนะบางคนที่เขาเข้ามาเอาข้างในเราให้น้ำใจเช่นคนมาทำงานร่วมกับเราอยู่ในนี้เขาได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของมันซ้อนเขามาได้เขามาทางานที่นี่เขาได้รายได้น้อยเขาได้รายได้น้อยฟังดีๆนะได้วัตถุไม่แพงแต่ เขาได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้อบรมตนอย่างน้อยก็ได้สัมผัสมาอยู่นี่สัมผัสที่นรู้ระบบวัฒนธรรมพิธีพฤติกรรมต่างๆโดยในทีแล้วก็ได้สงวนระวังนะเขาก็ามานี้ได้สงวลระวังนะวันทุกวันนี้นี่พวกเราอนุโลมมากเลยเขามาสูบยาเขามาทำอะไรอะไรต่างๆนานานี่ชักเยอะขึ้นนะตอนนี้เนี่ยพยายามมีวิธีการ มีศิลปะในการที่จะเตือนที่จะแก้ไขถ้าไม่เช่นนั้นเราไม่ได้ให้เขาอัตราเงินเดือนเราก็ให้เขาไปต้องเต็มๆวันละ300รอไม่ตม่ำตามอัตราของทั้งตัดเขากำหนดไม่งั้นก็ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ทำอยู่แต่เขาทำงานบางทีเขากลับกลายเป็นอู้นี่ก็เราไม่ได้ช่วยเขานะ กลายมาไม่คุ้มราค า, าพวกนี้เป็นต้นไม่คุ้มแล้วก็เขาเองเขาก็เสียเ้าแทนที่เขาจ ะ, จ ะ, จะเจริญเขาเสื่อมกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความคิดโกงเป็นความเอาเปรียบอะไรต่างๆนาน า, นานพวกนี้เขาไม่ได้อะไรจากเราจริงเขาได้อาศัยเลี้ยงจากทรัพย์สินไปเลี้ยงตนก็จริงแต่อันนั้นไม่ใช่ของหลัก หลักจริงๆของเราเนี่ยเขาได้ขัดเราให้ได้ศึกษาได้ฝึกฝนเพิ่มเติมขึ้นเจริญขึ้นแต่จะสังเกตได้ว่าเขารู้สึกสารวมสังวรต่างก็จะอยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่บ้านเขาแน่นอนเข้ามาที่นี่เนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กแห่งวัฒนธรรมของทั้งหมดของอู่บ้านนี้เห็นไหมว่ามันมีอำนาจ มันมีริดแรงเขาต้องตอนเขาไม่กล้าทําทงชางมันก็อยู่บ้านเขาเล่เเท่ๆอยากจะมีพฤติกรรมเต็มที่เขาทําไม่ได้หรอกเขาต้องสงวนระวังหมดเพราะาอยู่ที่บ้านเขาก็มาที่นี่เขาได้มาฝึกทุกวันนะ่ะแต่แทนที่จะเจริญขึ้นพวกเราปล่อยประละเลยให้เขายิ่งแย่ลงเสื่อมลงอนุโลมไปอันนั้นไม่ได้ให้เขานะ่ะ ไม่ได้ทำให้เขาได้เจริญนะนี่คือสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องเห็นด้วยปัญญาต้องเข้าใจว่าเออเราทำงานก็ดีเราอยู่ในสังคมนี่แหละโลกเขาทำอย่างไม่ไ ม, ไม่ลึกซึ้งไม่มากไม่ไมาเขาถือวัตถุเป็นหลักนะเขาก็ขึ้นเงินเดือนกันขึ้นตำแหน่งหน้าที่เพิ่อมอำ น, นาจทาอะไรกันไปตามโลก ง, ง่าย ทางจิตวิญญาณไม่คำนึงถึงนะมีบ้างแต่ว่าไม่ลึกซึ้งนะอันนี้เราควรจะต้องรู้ว่าเราเองนั้นมีทั้งสองด้านโดยเฉพาะเราเน้นทางความเจริญของมนุษย์มากกว่าวัตถนะุเพราะฉะนั้นใครจะมาหาทางร่ำทางรวยจากเราเนี่ยไม่ได้เราไม่เหมือนกัน ไ, ปไปหาไปหากินทางซาอุด ไปหากินเกาหลีไปหากินอะไรพวกนี้อย่างที่พวกประเทศที่ก็มีทรัพย์เยอะๆแล้วเราก็ไปกรอโกโขลยเอ า, เอาไปโลภโมโทสันเอาเขาไม่เกี่ยวแล้วเขไม่ม่ฝึกอะไรให้เราเรากแล้วก็ไม่มีสนามแม่เหล็กแห่งวัฒนธรรมแห่งอะไรอะไรที่จะไอ้นี่ให้แก่เราหรือว่าเราออกไปทําแล้วมันจะได้อะไรมากมันจะไม่เหมือนนะเพราะงคนที่เข้ามาทําที่นี่ก็ดีเราไปทําที่อื่นก็ตา่าง ก็ออกไปทำข้างนอกเนี่ยไปช่วยเขาจ้างเงิอย่างนี้ข้างนอกบังก็ตามเราก็จะต้องเป็นผู้ได้ให้คุณค่าให้ประโยชน์อย่างที่กล่าวแล้วว่าไม่ใช่ว่าจะไปทําให้เขาต้องคิโลเพิ่มหรือมีอะไรอะไรเสียเพิ่มขึ้นอีกทั้ทงวัตถุหนะ้าเราไปอย่างไปเซ็ตสลัข้างนอกเนี่ยทั้งวัตถุเราเซสระกอยู่แล้วอื่นๆเราก็จะต้องรู้แล้วก็ต้องมีศิลปะ ไอ้พวกนี้แหละมันไม่ง่ายทีเดียวต้องมีศิลปะอย่างไรที่จะทําให้เขาเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นที่เป็นคนเจริญด้วยไม่ได้หมายความว่าได้เจริญขึ้นว่าอุดมสมบูรณ์ได้มากขึ้นแต่วัตถุไม่ใช่อย่างนั้นนีน่คือความหมายที่อาตมาเจตนาจะให้รู้จักว่าความรักหรือน้ําใจจริงๆความรักนี่น่าจะมาตีความหมายเป็นความเป็นน้ําใจ น้ำใจทิวานี่ยมีความหมายลึกนะจะแปลว่าเมตตามันก็ดีขึ้นกว่าความรักเพราะคําว่าความรักมันไปหมายถึงการ์มนะไปหมายถึงการ์มใว่าจะเป็นกามทางเพศไม่ว่าจะเป็นกามทางโลกในอะไรราคะในอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนาน า, น า, นาความรักไม่ไปหมายถึงอย่างเงินซึ่งมันผิดนะความรักควรเป็นความมีน้ําใจเกื้อกูลช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อ ต้องอย่างเนี้ยเราเอาเื้อเฟื้อกื้อคุณได้ตั้งแต่มิติที่หนึ่งลูกหลานของเราเนี่ยโอเราต้องเอื้อเฟื้อกื้อคุณช่วยเหลือด้วยจําใจที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ต้องการอะไรให้แลกเปลี่ยนเราต้เห็นเขาเจริญเขาพัฒนาดีจนกระทั่งมาถึงญาติจนกระทั่งมาถึงเพื่อนก็ข ย, ยายขึ้นไปตามระดับตามระดับอย่างนั้นนเอาอีกมิติหนึ่งเพิ่มมิติที่ห้าเอามิติที่หแล้วนี่เนาะ ว่ายังมิติที่ห <c oughs> ทีนี้มิติที่ห้านี่คือความรักเพื่อชาติกว้างขึ้นไปจากชุมชนจากสังคมมิตรสหายแล้วหรืออย่างกว้างแค่จังหวัดก็ไม่จังหวัดแล้วเกินก็ออกไปถึงกว่าจังหวัดแล้วเกิดกว้างไปเกินกว่าจังหวัดอันนี้เราได้แต่ฟัง แต่เราก็ไม่ได้มาความพาซื่อจนกระทั่งว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ไปทำเราไม่มีแรงไม่มีเรื่อเราไม่ช่วยชาติเลยเลย้อเราช่วยอยู่ชาติเราก็ช่วยอย่างที่เห็นเราก็รู้ะเพราะงั้นในระดับจังหวัดในระดับชาติมันก็มีส่วนเล็กส่วนน้อยแต่ที่แน่นๆเราก็ทำได้ใกล้ๆเคียงๆเนี่ยที่มีพลังพลังที่จะมีส่วนเกินส่วนพลังเราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องพึ่งตนมี ตนที่อุดมสมบูรณ์ก่อนนะมีเรี่ยวแรงมีทุนทรัพย์วัตถุเพียงพอหรือมีความรู้ไม่มีอะไรให้เขาให้ความรู้ให้เขาเข้าใจถึงคุณธรรมให้ได้ความรู้ได้รู้คุณธรรมและความรู้ของเราไม่จะมีความรู้ความสามารถมากมายเราไม่ไ ม, ไม่ให้ความรู้ความสามารถไปที่อื่นยังไม่ค่อยได้หรอกเพราะ แม้แต่โรงเรียนแม้แต่สำนักศึกษาของเราเราก็สอนก็เน้นให้มีความรู้ทางฝีมือทาเทคนิคความรู้อะไรต่างๆเพื่อจะให้เพื่อผู้อื่นไปทำงานพวกนี้มันก็เพื่อผู้อื่นงานที่จะไปรับใช้เนี่ยรือว่างานที่จะไปทำงานทางเทคนิคทางฝีมือความรู้ความสามารถอะไรจริงๆเนี่ยเราเองเรายังไม่เก่ง นะยังไม่เก่งนะโดยเฉพาะยิ่งเรามีนักเรียนแค่ระดับมัธยมยังไม่เก่งอะไรเท่าไรระมัธยมถ้าอุดมศึกษายังจะเป็นฝีมือเป็นความรู้ความสามารถที่ออกไปช่วยคนข้างนอกได้มากขึ้นเป็นงานเป็นหลักเป็นเรื่องอะไรมากขึ้นนะแต่ตอนนี้เราก็ยังอุดมศึกษาก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็มีนี่แหละวนอบอที่เราใจ้นี่แหละแต่ว่าก็ยัง อยังรวมกันให้ติดก่อนดีๆก่อนโดยเฉพาะรวมๆกันตอนนี้มันยังรวมไม่ได้แม้กระทั่งในบวรบบวบบบวันวัดโรงเรียนก็ยังไม่รวมเท่าไหร่เลยยังไม่แน่ยังไม่เนียนไม่แน่นเท่าไหร่มันก็รวมๆเนียนเแน่นเป็นการศึกษาที่เป็นองค์รวมบัตรวอนวัดบ้านโรงเรียนบวบวให้ครบดีๆนั่นแหละจะเป็นสำนักศึกษาที่สมบูรณ์เป็นสถาบันการศึกษา ยิ่งอย่างเรานี่ระดับถือว่าอุดมศึกษามันจะไม่เหมือนแค่มัธยมละนะมันจะมีนัยยะต่างกันอย่างเข้าใจอย่างเห็นเห็นเลยเป็นเรื่องจริงนะมันจะเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าขนาดนักเรียนมัธ ย, ยมของเรานี่นะมันก็ทำจริงนะทำอะไรๆแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พวกเราเนี่วนอบอนะอุดมศึกษาขึ้นมาเนี่ยจะต้องเหมือนผู้ใหญ่ทาแล้ว ไม่ใช่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเรื่องจริงเลยมันไม่ใช่ห้องทดลองศึกษาแต่ตำราแล้วก็ทดลองเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของเราเป็นของจริงหมดเท่าที่เรามีแค่นี้ก็เลือแหลแล้วทาให้จริงนะฐานงานต่า ง, า ง, า ง, างๆหรืออะไรอะไรพวกเรากิจกรรมกิจการอยู่เนี่ยยกตัวอย่างตืง้อๆง่ายๆว่าเช่นงานพวกเราอยู่ในนี้เนี่ย ถ้าพูดไปแล้วขาดคนเก็บผักเท่านี้พวกเราก็วนบอก็ควไปทำได้เต็มที่เลย่ลขาดงานนั้นขาดงานอนี้ต้องการงานนี้งานลงปุ๋ยงานนูนที่นั่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนี่มันก็มีหน่วยงานต่างๆเราก็ดูเออพวกเราก็จะต้องรู้ว่าในสังคมของเรานในสังคมของเราเนี่ยเราทําให้มันควบแน่นทำไม่เกิดพลังงานสร้างสรรค์ ทำให้ทุกอย่างให้มันเป็นตัวจักรเป็นแรงกลที่มันดีขึ้นจากแรงงานพวกเราทั้งความรู้ความสามารถครบคันแน่นมันก็จะเกิดผลผลิตเกิดผลประโยชน์เกิดสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆความรู้ทางด้านปริยัติความรู้ทางด้านทฤษฎีทั้งด้า น, าานความบัญญัติอะไรต่างๆเราก็มีอยู่แต่เราเน้นนะ เป็นงานเราเน้นเป็นงานตั้งมากและเราเน้นศีลธรรม4 3่ส2 5้าซึ่งก็ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์เข้าใจพวกนี้ให้ชัดๆนะความรักมิติที่หคือความรักที่เป็นอุดมการเพื่อชาติเพื่อประเทศนี่อันนี้อ่านอันนี้นะ อ่านเล่มใหม่ความรักที่เป็นอุดมการเพื่อชาติเพื่อประเทศหากผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดหรือมีอุดมการต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลกว้างออกไปกว่าความรักแค่มิติที่4ีเป็นความรักความปรารถนาถึงขั้นหมายใจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปในประเทศชาติจริงไม่แคบอยู่แค่เรื่องเพื่อน เพื่อแพ่เพื่อคนใกล้ตัวเราเท่านั้นหรือไม่เล็กอยู่แค่หมู่กลุ่มชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดซึ่งเป็นสัดส่วนในประเทศเท่านั้นแต่เป็นความเกื้อกว้างที่มีน้ำใจคิดเห็นแก่คนทั้งชาติทั้งประเทศจริงๆและไม่ใช่เพียงความรู้ว่ามันเป็นอุดมการที่ดี <can> อยู่แค่นั้นหรือว่าไม่ใช่เพียงเป็นความใกล้ ความเล่นโกโก้มันเก่ไก่ไม่ใช่ความโกโก้ลีลาเก่าเก๋ๆของคนหาเสียงให้แก่ตนเองเท่านั้นด้วยแต่ต้องเป็นความจริงของจิตที่เกิดความรู้สึกรักและปรารถนาตามอุดมการณ์ที่นี้ในะอุดมการณ์ที่จะทําเนี่ยแท้ๆยิ่งมีน้ําหนักหรือว่ามีความเข้มข้นของน้ําใจและความเป็นไปได้จริง มากยิ่งเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งประเสริฐสูงทร ง, งยิ่งยิ่งเท่านั้นเท่านั้น น, นะความรักระดับมิติที่5นี่คือเรียกว่าชาตินิยมชาตินิยมหรือชาติจิตนิยมหรือรัฐธรรมนิยมเพราะแม้แต่คําว่าสังคมนิยมมิติที่สก็ไม่เหมือนทีเดียวกับความหมายของสากลของกว้างยิ่งคําว่าชาตินิยมก็ยิ่งไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหมือนใหญ่ ชาตินิยมก็าหมายความว่ามันเห็นแก่ชาติโดยแค่เข้ามาหาตัวกูของกูนะแต่ความหมายของที่อาตมาธิบานในชาติคือมันเกลีก้ากล่องออกไปถึงคนทั้งชาติทั้งประเทศจริงๆไม่ได้หมายความว่าแค่เข้ามาหาเหมือนกับทางวัฒนธรรมชาตินิยมมันซ่อน่ะแท้จริงมันเห็นแก่ตัว นะแท้จริงนะชาตินิยมเห็นแกตัวซึ่งอันนี้นี่เราไม่เอาเลยนะชาตินิยมเนี่ยบอกว่าเห็นแก่ตัวเช่นจะต้องได้รายได้เข้าสู่ประเทศจะต้องพยายามให้รวยประเทศดุดมสมบูรณ์คนอื่นนี่เขาจะมาเสียเขาจะมาให้เท่าไรมากเท่าไรก็เอาเท่านั้นนีไม่ดีโกงไม่ดีหาเล่หาเหลี่ยมเพื่อที่จะได้จากประเทศอื่นชาติอื่นเขามาให้แกตัวเองอ่านะ หรือชาตินิยมก็คือเอาแต่ตัวเองเห็นแต่แก่ตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นชาตินิยมจะบอกว่าอุนุนจุนเจอเรื่องอะไรเราตนเองพวกเองอันนั้นก็ดีนะอุนุนจนเจือพวกเราในหมายความว่าเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยพวกข้างในก่อนที่พูดไปแล้วว่าข้างในเรายังไม่แข็งอ่าไม่ได้เพราะงั้นความหมายของชาตินิยมของเขานี่ก็หมายถึงว่า ให้หันเข้ามาช่วยข้างในก่อนแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นช่วยข้างในก่อนช่วยตนพึ่งตนเองรอดแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นไปตามลําดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าชาตินิยมของเราจึงไม่ได้หมายความว่าให้หันกลับมาหาตนเองแต่ชาตินิยมนี่เป็นการแผ่ออกไปข้างนอกให้เต็มประเทศให้เต็มชาตินะเพราะจึงต้องใช้คําว่ารัฐนิยมอีกอันหนึ่งนะแต่ตั้งตอนแรกก็ตั้งชาตินิยม แต่ความหมายความธรรมาก็ไม่ได้หมายถึงอย่างที่พูดไปแล้วไม่ได้หมายถึงอย่างที่เขาวัชานิยมอย่างที่เขามายกันแม้แต่สังคมนิยมก็ว่าไปแล้วอนิชาตนิยมมิติที่5้านี่มันก็ไม่คลายเขามันมีนัยยะสําคัญที่ต่างกันอยู่มันจึงเอาให้มันชัดขึ้นจะเป็นรัฐนิยมคือเกลือกว้างไปถึงรัฐเลยนะเพราะงัชาประชาตินิยมคนเข้าใจในลักษณะหนึ่งมันซ้อนน่นึกออกไหมประชาชาตินิยมน่ยมันรู้สึกเข้ามาเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่ใช่ รัฐธนิยมคือกว้างไปถึงรัฐทั้งชาติทั้งประเทศเลยนะและจะจริงยิ่งหากคนผู้นี้มีพฤติกรรมภาคเพียนพยายามกระทมเพื่อให้เกิดผลตามอุดมการที่สุดจะจริงสมบูรณ์ทีเดียวทําแม้นว่าผู้มีความรักนั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากความแฝงแฝงเพื่อผลประโยชน์ให้เกิดลาบยศสันเิญ ส, สุขแก่ตนนะ นี่เป็นสําคัญเลยซึ่งเป็นความเจริญของความรักความปรารถนาดีอย่างเห็นได้ชัดขึ้นไปอีกว่าเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์แท้แท้แน่แท้เลยหากใครสามารถเผื่อแพ่เกื้อก้างออกไปได้มากเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเป็นคุณงามความดีมากเท่านั้นเท่านั้นด้วยสามัญสำนึกในความเข้าใจแค่นี้ใครๆก็คงจะรู้กันได้อยู่แล้ว มันซึ่งมันไม่ยากอะไรนะเพราะว่าไม่ใช่ความลึกล้าอะไรนักหนาแต่มันก็เป็นความจริงของคนที่จิตจริงออ่อาจจะพึงเป็นจริงจิตจริงอาจจะพึงเป็นจริงดังที่พูดพูดไปคร่าวๆกาวคือสมรรถนะของใครจะมีประสิทธิภาพแห่งความรักกว้างเกื้อได้มากน้อยแค่ใดก็ยอมเป็นไปได้ตามสมรรถนะของผู้นั้นผู้นั้นถ้าจะเอาแค่ความคิดฝัน ทุกคนมีปัญญาเข้าใจได้ก็คิดได้พูดได้นะแต่ความจริงของความเป็นไปได้ตามที่ตนคิดนั้นนะ่ะตนพูดได้นะั้นน่ะมันเป็นจริงไปตามความคิดตามคำพูดนั้นไหมนะความรักในที่นี้ต้องเป็นความจริงโดยเฉพาะเป็นความจริงที่เกิดในจิตของคนพูดนั้นจริง ที่ต้องเป็นความรู้สึกในจิตของตนเองเกิดอารมณ์นั้นๆแท้ๆไม่ใช่แค่คิดหรือแค่รู้ที่เรากำลังเรียกว่าความรักนี้มันต้องมีภาวะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงในจิตของผู้นั้นนะและก็มีสมรรถนะถึงขั้นเป็นไปได้นะถึงขั้นเป็นไปได้นะ possible หรือสามารถทำได้ น่า no, practical น่ no, า practical คือทำได้จริง no, สามารถทำได้จริง practical practice นี่แหละ practice ก็ pract คือการฝึกการทำเลยแต่ทำได้จริงเลยสามารถทำได้จริงเลย practical น่ practical no, pract no, สามารถทำได้จริงไม่ใช่แค่รู้แค่พูด no, แค่พูดแต่ปากเท่านั้นเช่นความรักของนายก นายกมีความจริงของความเป็นไปได้แค่มิติที่สคือชุมชนนิยมดูสังคมนิยมเท่านั้นหรือบางทีอาจจะแยกก่อนนั้นก็คือมีความจริงของความเป็นไปได้แค่มิติที่สแค่นั้นดีไม่ ด, ดีอาจจะมีมิติแค่มิติที่สองดูซ้าก็เป็นได้นะบางตัวเนี่ยไม่รู้ตัวแต่ในกยกนึกว่าตนมีสมรรถนะถึงขั้นที่ห้า คุยฟุ้งตามที่ตนหลงว่าตนเป็นหาเสียงให้แกตัวเองไปทั่วว่าตนมีความรักระดับชาตินิยมหรือรัฐนิยมพออ่านมาถึงตรงนี้เราแวะถามสิคนพวกนี้นี่ชัดนี่เห็นไหมไอตัวคนพวกนี้เนี่ยความจริงมันไม่ใช่เลยเขาบอกเขาจะทำเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อรัฐเพื่อประเทศแต่แท้จริงแล้วเห็นไหมเห็นใครไหม เต็ม่หมดเลยยิ่งนักการเมืองอยิ่งชัดใหญ่เลยขา้าราชการก็ทั้งนั้นเลยซึ่งมันไม่ใช่เลยคนที่เป็นทำงานข้าราชการก็คือนักการเมืองทำเพื่อรับใช้ประชาชนแล้วเพื่อคนทั้งชาติแล้วตามตำแหน่งหน้าที่งานการที่มอบหมายเขาต้องไปทำยิ่งเป็นนักการเมืองยิ่งจะต้องมาช่วอย่างกว้างขวางเลย นั่นแหละมิติที่หนี่แหละคือมิติของนักการเมืองของข้าราชการแท้ๆเลยแต่ความจริงไม่ใช่เลยเห็นไหมเพราะาในมิติที่ทำเน่นึกว่าตนมีสมรรถนะถึงขั้นมิติที่หาเวลามาหาเสียงก็บอกมิติที่ห้าผมจะไปช่วยเลือกผมกันไปผมจะไปรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติ คุยฟุ้งตามที่ตนหลงว่าตนเป็นหาเสียงให้แก่นตนเองไปทั่วว่าตนมีความรักระดับชาตินิยมหรือรัฐนิยมซึ่งเป็นสมรรถนะที่กว้างเผื่อแผ่ออกไปถึงขั้นความรักชาติรักประเทศทีเดียวแต่ความเป็นจริงนั้นนายกอทำได้หรือเป็นได้แค่ความรักมิติที่สี่หรือสามหรือแค่สองเท่านั้น ถ้าอย่างนี้ความรักของนายกก็ยังไม่ใช่ระดับมิติที่ห้าเลยจิ้งจจ้งความรักของคนผู้นี้ยังไม่ถึงขั้นมีความจริงเข้าขายที่ชื่อว่าผู้มีความรักระดับมิติที่หชาตินิยมหรือรัฐนิยมเพราะความเป็นจริงหรือภาวะสัจจะยังไม่ถึงขีถึงขั้นใครจะสามารถรู้ความจริงหรือรู้สัจจะของความรักได้ถูกต้องทองแท้ก็ ยังยากอยูอ่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆเลยนะและมีสำนึกพร้อมเลยสำนึกไปถึงขั้นเอาจริงเอาจังเลยนะซึ่งยากมากซ้อนนึกออกไปวันทุกวันนี้เนี่ยที่อัตมา ร, ระบุลงไปชัดๆเลยเนี่ยข้าราชการขึ้นไปยิงข้าราชการการเมืองนักการเมืองนักบริหารตัวจริงของผู้ที่ จะต้องทาหน้าที่ของความรักมิติที่ห้านำหน้าที่ของมิติที่ห้าแล้วถ้ามีฝีมือก็จะทําออกไปเป็นมิติที่หกเดี๋ยวเวลาถึงอธิบายมิติที่หกแล้วก็ค่อยขยายความกันนี่พูดนาหน้าไว้หน่อยแต่ความจริงแล้วนี่เห็นไ้ยความจริง ที่จริงสมรรถนะความรู้ความสามารถมีกันนะมีนะคนไทยนี่ก็เรียนรู้มีความรู้มีความสามารถไม่น้อยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักหรือนักาการเมืองก็ตามประชาชนเป็นนักธุรกิจงานส่วนตัวนี่ก็ตามงานส่วนตัวก็ทาอยู่กับสังคมนี่แหละ แล้วก็ไม่ได้ละเว้นว่าคนที่ไม่ได้มีงานส่วนไม่ได้มีงานค่าราชการไม่ได้มีงานการเมืองทำงานส่วนตัวเราทำงานธุรกิจก็จะมาตั้งหน้าตั้งตาเห็นแต่แก่ตัวมันไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยแม้จะเป็นเอ ก, กชนไม่ได้รับราชการที่เป็นเป็นหลักการเลยว่าเป็นค่าราชการประจาหรือค่าราชการการเมืองก็ตามคือผู้จะทาเพื่อประชาชน นักธุรกิจหรือนักผลิตนักหากินเอกชนส่วนตัวอะไรก็ตามก็ควรจะทำเพื่อสังคมประเทศชาติหรือมวลมนุษยชาติถ้าบอกให้เต็มๆแล้วมันก็เพื่อมวลมนุษยชาติไปถึงมิติที่6ที่7นั่นแหละนั่นคือคุณค่าของมนุษยชาติแต่ไม่ค่อยย้ำไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยเตือนตน ไม่ค่อยฝึกตนให้มันเป็นจริงตามที่อาตมาพูดนี่ถ้ามีการศึกษาแล้วก็มีความเห็นจริงเข้าใจจริงแล้วมีสานึกฝึกฝนมีสานึกฝึกฝนอย่างที่ว่านี่จริงจริงๆเลยคุณนึกดูซิว่าสังคมมนุษยชาติมันจะเร็วได้ยังไงมันเร็วไม่ได้หรอกแต่มันไม่มีความเข้าใจจริงๆอย่างนี้มันเข้าใจพอเข้าใจนะ ถ้าจะว่ า, าจริงๆแล้วจับเข้ามาคุยมาพูดกันเนี่ยเข้าใจมันไม่ได้ยากอะไรแต่กิเลสมันมันเก่งมันทำให้คนมันพลามัวหมดลึกๆความรู้ความสำนึกความเข้าใจปัญญาปฏิพานพอรู้ว่าอะไรดีไม่ดีถูกต้องคืออะไรพอเข้าใจอาตมาว่าที่พูดดีมันไม่ได้ยากเลยเด็กๆฟังรู้เรื่องไหม ว่ามันมีคุณค่ามีการขยายออกเผื่อแผ่ไปสู่คนกว้างกว้างขึ้นคืออย่างไรรู้เรื่องไหมรู้ไหมไม่ค่อยฟังเลยเด็กๆถ้าฟังรู้ได้นะใครตั้งใจฟังที่พอรู้มั่งยกมือทีเด็กๆมีใครฟังปุ้ ป, ปูพูดนี่รู้เรื่องบั่งยกมือทอมอีมีอยู่ใหญ่สองสมคนสิ 4, คนไม่กล้ายกกันเลยเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้ ในเบนมุกยกมือรู้เรื่องใครอีกมั่งแมมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งไม่ได้มาฟังจริงๆรนะนี่ไม่ได้มาเรียนจริงๆเลยนะ อ, ะอะเอาละได้แค่มานั่งดูมานั่งตรงนี้ก็พอพอพอสมควรแล้ะดีกว่าไปเป็นลิงเป็นข้างอยู่ที่ไหนเนาะอ้า เพราะงั้นในความรู้ในความหมายของสัจธรรมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่คนเรานี่ไม่ค่อยจะสำนึกสำเนีกแล้วก็ไม่ค่อยจะไม่ย้ำเตือนตนให้มันเกิดเป็นลักษณะของ possible หรือ practis p r a c t i p r a c t i a b l e นะ p r a c t i p r a c t i a b l e p r a c t i cable มาแพ็กซิตนะนะแพกนะแพติกนะแพติเคเบิลนะแพ็ทีสแพ็ติกเราไม่เก ELL ่งไม่ค่อยเก่งภาษาเนี่ยพูดแล้วก็งงงักแท็ติกเคเบิลมันไม่เป็นนะมันไม่เกิดสภาพที่จะสามารถทำได้จริงๆตามที่รู้ตามที่เข้าใจตามที่มีปัญญามันก็เลยไม่มีความเป็นไปได้ แต่ชาวโสกเรานี้อาตมาเห็นการก้าวหน้าล้าพวกเราทำเป็นไปได้แม้จะเห็นการก้าวหน้ายังไม่เป็นัตราการก้าวหน้าที่เด่นชัดพื้ดเพลิดเพ ล, พลเลยนะแต่เห็นนะเพราะการศึกษาของพวกเรานี่อาตมาว่าจ ะ, จะเจริญจะเข้าใจจะเป็นพฤติกรรมหรือจะเป็นการศึกษาที่พาให้จเจริญได้นะอาอ่านให้จบเลยนิดเดียว อีกนิดเดียวให้จบตรงนี้ว่าใครสามารถรู้ความจริงหรือว่ารู้สัจจะของความรักได้ถูกต้องท่องแท้ใ น, นก็ยังยากอ ย, กอยู่แต่จะต้องศึกษาฝึกฝนจนรู้แจ้งอย่างถึง ส, สัจธรรมของความเป็นคุณค่าคุณค่าประโยชน์นระเรียกว่าอัตถะทั้งในสภาพที่เป็นประโยชน์ตอนอัตตถะนะภาษาบาลีว่าอัตตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นปรัตถะ ประโยชน์สองฝ่ายอุปยศถหรือประโยชน์สามารถที่ตะเอ่เอขออภัยประโยชน์สามันที่ต่างก็รู้กันได้ในระดับของโล ก, กียะทั่วไปที่เรียกว่าโลกนี้นประโยชน์ในโลกนี้คือทิฏฐธรรมิกตรประโย์และประโยชน์ชั้นสูงขึ้นสู่โลกหน้าหรือโลกอื่นซึ่งเป็นโลกทีก่ก้าวหน้าขึ้นไปถึงระดับโลกุตระ เรียกว่าสัมปรายกัตถะที่สำคัญก็คือประโยชน์ที่เป็นความเจริญถึงจิตถึงเจตสิกนโรกุตรานี้จะถึงจิตถึงเจตสิกอันเป็นขั้นบรมประโยชน์หรือประโยชน์ชั้นสูงประโยชน์ขั้นสูงถึงเป็นถึงความเป็นอริยสัจธรรมเรียกว่าปรมาถโนโนเลยจึงจะพอรู้ความจริงตามความเป็นความมีจริง ตามที่ได้ทยายอ่านมานี้นะอ่านี้เป็นมิติที่หนะแต่ก็คงจะไม่ค่อยยากอะไรนักหรอกแต่เนื้อแท้ที่จริงแล้วก็จะต้องให้เป็นความเป็นไปได้และเป็นความสามารถที่เป็นจริงทําได้จริงเป็นได้แล้วก็สามารถทาใด้เกิดผลจริงนะ ปฏิกิบเบเนี่ยนะกบมันจะต้องเป็นจริงให้ได้ด้วยนะเป็นไปได้จริงๆแล้วก็มาเกิดผลขึ้นมาโดยฝีมือด้วยการกระทํนะนี่คือสิ่งที่พูดวันนี้เวลาล่วงเลยมาเลยนิดหน่อยเมื่อกี้นี่เข้ากี่โมงรวมแล้วกี่โมงเริ่มกี่โมงเกี้ย18นาฬิกากี่นาที ยี่สิบอันนี้มันยีห้าน่าอา้าวเลยไปห้านาทีอา้าวทีนี้ได้เวลาแล้วน่าน้านามาทั้งหลายใครจะถามใครจะสรุปใครจะออกความเห็นน่าอา้าวเชิญเอาเด็กๆก่อน แล้วใครมีไหมยังมีคำถามหรือว่าสรุปหรือว่าจะออกความเห็นอะไรมีไหมฝึกหัดนะเด็กๆ ก, ก็แม่นี่ก็พามารวมทํากับผู้ใหญ่แล้วเพื่อจะได้เห็นว่าผู้ใหญ่เขาเรียนยังไงเขาทายังไงะจะได้ตามมั่งมีแต่มางุกยิ้งุกิงกงุ ก, ง ก, งกคุยกันเสียประโยชน์นะอา้าว อ้าวเด็กอ่ะครับมีผู้พอทุมคนโตพอสมควรเขาก็เข้าใจเขาก็ทำํำอ้าวเอาเลยบอกชื่ อ, <ข>อบอกเสียงสิชื่อการมหกค่ะก็อยากถามว่าเวลาเราสมมติว่าเวลาน้องทําผิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดุน้องบอกน้องเงี้ยค่ะถือว่าเราให้ไหมคะให้เราต้องมีศิลปะในการบอกการดุการว่าการดุคนว่าคนนี้ยาก นะเพราะว่าคนที่ถูกดุทุกว่าเนี่ยก็คือไปชี้สิ่งไม่ดีของเขาพอเราจะดุเราจะว่า ก, ก็คือต้องว่าสิ่งที่เขาทาผิดทำไม่ดีนะว่าการจะไปว่าสิ่งที่ไม่ดีคนเรามันมีอัตตา ม, มีความถือตัวมันมีอัตา ม, ม า, น, ามนถือตัวเพราะฉะนั้นเราจะว่าเขาว่าความไม่ดีขเขาเนี่ยเขาจะอายเขาจะขายหน้าแล้วเขาก็ถือดีถือตัวก็ไม่อยอมให้ใครมาแตะกิเลสข้าใครอย่ายแตะนะ มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของกิเลสคนเมื่อเราให้เขานะ่ะที่ดทูที่ว่าเขาเราก็ต้องมีศิลปะในการที่จะต้องดูว่าให้เขามีความเข้าใจให้เขามีความรู้ความรู้สึกเข้าใจว่าเราปรารถนาดีเราเราให้สิ่งที่เขาควรจะต้องรู้ควรจะต้องแก้ไขควรจะต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้นี่มันไม่ดีแล้วนะ มันจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นดีเป็นสิ่งที่ดีต้องมีศิลปะอย่างที่หรวงปู่บอกอ้าวใครอีกใครอีกโอ้มีคนเดียวอ้าวไม่มีก็ผู้ใหญ่อ้าวผู้ใหญ่ ใครจะเอาก่อนยกมือนะไมโครโฟนเดินอ่าใครโน้นยกมือทางโน้นนูนู่นนู่นงโ น, น, น้นนะโอ้โหทางนี้นี่วางไม่มีใครอ๋อทางนี้ดักหน้าเลยมีทางนี้ก่อนแลยนึกเอาเอาเลยเอานั่นได้ไมโครโฟนก่อนแล้วเอาเลยกราบขอโอกาสค่ะอา้าว ทางโน้นจะพูดจะเปิดไมโครโฟนไม่ได้เลยแพ้ทางนี้ก่อนทางนี้เปิดใหมก่อนความรักมิติที่หนึ่งนะคะอ๋อโอ้ยกลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าค่ะอ้าวเนี่ยทุกนักหน้าเดือระอนแน่ไมนี่ฉันจานึกถึงความรักในคนคู่นะคะที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว มีแต่ความเอาเปรียบ uh huh. ดิฉันก็เลยมาตั้งจิตของตัวเองว่า uh huh. ตั้งจิตตั้งแต่สมัยเข้าเริ่มเข้าวัดเลยค่ะพ่อได้ฟังธรรมพ่อท่านว่าการที่เราจะร้างตัวกรเมทุนได้เนี่ยถ้าเรายังติดในรสชาติของอาหารเนี่ยเราไม่มีทางที่จะพ้นไปได้ดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงไงตัวเองเนี่ย จะต้องล้างกิเลสไอตัวตัวเรื่องคนคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดพบใดก็มีความรู้สึกว่าห่วงใ ย, ยน้องพี่แล้วก็ลูกหลานจงเก็บรักษาสิ่งของที่พ่อแม่ให้มาเป็นสมบัติชิ้นชิ้นที่น่าหวงแหนที่สุดเอ่อในในความรู้สึกของคนเราเวลานี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องความพอใจลุกสิ้นสุดในเรื่องการเมถุน่ะ ไม่มีความเพียงพอสำหรับผู้หญิงผู้ชายดูถูกดูแคลนแม้กระทั่งเงินแสนเงินล้านก็หาซื้อได้ทฉันมีความรู้สึกว่าการต่อรองอย่างนี้อมันดูถูกเพศแม่นะคะในความรู้สึกที่ว่าเราควรจะรักษาภูมิจันทร์ได้อย่างไรก็คือคำตอนพ่อท่านอ่ะที่เราจะร้างกิเลสไอตัวตัวที่ติดรสชาติในการกินอร่อยเนี่ย ดิฉันไม่ไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็จะใช้ความพยายามไม่ว่าจะชาติใดพบใดอ่ะก็จะขอปกป้องเรื่องนี้ให้ได้ก็ห่วงใยเด็กๆและเพื่อนพ้อง น, น้องพี่ที่ควรรักษาสิ่งที่พ่อแม่ให้ไว้ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดู รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเรือประโยชนน้ำตาหัวใจวิวก็พร่องเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรอย่ารอให ถึงเวลาที่จะมานั่งรำพันเพลงนี้นะค ะ, อะขอบคุณคเอาแต่รอใช้กรรมอย่างนี้ไม่ไหวหรอกมันต้องศึกษานะก็รู้ว่ามันไม่เข้าท่านะแต่ว่ามไม่มีทางออกคนทั้งหลายไ ม, ไม่รู้ว่าจะแก้ไขหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงใช้เกิดปัญญาแนละให้เกิดการแก้ไขตนเองให้มันจเจริญขึ้นมันจเจริญขึ้นแทนที่จะไปหลงจมหาใหม่ จะต้องให้มันหวานก็เก่าให้มันกินเนียนก็เก่าให้มันซาบซึ้งก็เก่าพวกนี้นี่ยังมันยิ่งยากหนักกับเก่าขออธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งมันมันมันรึกซึ้งอย่างเรื่องคู่นี่นะพอคนนี้มีคู่คนนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดน้าพึ่งขมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มาหาแขต แต่เข็ดไอ้คู่คนนี้ใจมันก็ต้องมาคนไหนน้อมันดีกว่านี้คนไหนน้อมันจะทําให้เราได้หวานซึ่งเป็นน้ําพึ่งเป็นสุดยอดแห่งอะไรก็แล้วแต่ยิ่งกว่า น, นี้นั่นคือความคิดที่ยิ่งหนักกว่าเก่าถ้าไปเจออีกตกหลุมลมของความรักของเสพ ร, รถหรือเสพสุขหรือเสพอเสพติดอันนี้ หนักเข้าอีกเลยนะเพราะงั้นทางโลกนี่ถ้าไม่เข้าใจชัดๆเลยนะมันไม่มีทางที่จะรู้สึกอย่างที่อาตมากาลังอธิบายนี่หรอกใช่ั้มมันไม่เลยมันก็จะหลงอูาคนไหนจะมาเป็นคนดามใจมาเป็นคนที่จะให้เจริญยิ่งกว่าไอ้คนที่ได้ขนาดนี้นี่นะประครบประงมหรือว่าให้ของคุณ เ, เรื่องของ อารมณ์กามเรื่องคุณจะได้สมใจในกามเสพในกามมันไม่พอเหมาะสู้คนคนเก่าเนี่ยมันไม่ดีละเลิกแล้วเบือ่อมันเห็นทุกข์ละมันจะดึงแหนกแล้วแต่รายละเอียดแล้วก็จะต้องหาคนใหม่อะไรต่อไปอีกโดยไม่เคยเห็นว่าเออแม้คนนี้ก็เหลือแหลแล้วอย่าเลย อ, อีกแทนที่จะเข็ดอย่างนี้ไม่ความคิดของคนเนี่ยไปหาคนอื่นว่าใครมันจะดีกว่านี้วะ นี่คือความอาวิชชาคือความโง่ของคนทั่วไปทั้งหลายแทนที่จะเห็นทุกข์เห็นเข็ดเด็นลาว่าโอ้ไอเรื่องมีคู่นี่มันไม่ดีอย่างนี้เองเลิกเถอะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คิดจะหยุดจะพอจะเลิกแล้เห็นทุกข์เข็นภัยของการมีคู่แต่เห็นว่าคู่ใหม่ มันจะดีกว่าเก่ามันจะให้รถของลาคารถของการามหรือรถของสิ่งต่างๆดีไม่ดีก็ไปเอาโลกธรรมไปเอาลาภยศเสริญเป็นโลกีมาผสมประสานเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่รู้อวิชชาต่อไปอยู่ตลอดตลอนานนะนี่ปมประเด็นฟังดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันไม่ศึกษาถึงสัจธรรมดีๆมันจะไม่รู้ลึกมันจะไม่รู้เข้าใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างที่กล่าวนี่เลย อ้าวใครต่อค่ะกาบขวากาสขวาครูธรรมศาสการสมณะศิขมะจเรญธรรมทุกท่านค่ะสิ่งที่ได้เข้าใจวันนี้ก็คื อ, อความรักมิติดมิติดที่สี่เป็นความรักที่ของชุมชนนิยมทำไมทำไมมาอยู่วัดแล้วมันหนักนะคะเพราะว่า Oh เราเราไม่ได้ไปแบบอยู่แค่บ้านตัวเองแ uh, ต่บ้านตัวเอง uh. มาอยู่วัดงานมันก็เยอะ mm. แล้วก็ไปไปทามาก็กว่าจะเก็บผักได้เต็มหม้อกว่าจะทำปุ๋ยได้ครบสวนอะไรเงานมันก็เยอะขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นความรักที่ใหญ่แล้วก็เยอะแล้วก็พ่อครู ก, ก็บอกว่างานมันหนักร่างกายหนักแต่ว่า ใจมันก็ไม่ได้หนักเท่าที่แบบอยู่ในญาติเดิมมิติที่สองที่สามค่ะถ้าถ้าอยู่ในนั้นน่ะมันก็จะใจหนักกว่านี้นะคะแม้ว่าอยู่ที่นี่งานหนักแต่ว่าใจก็ไม่ได้หนักเท่าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนค่ะดีมากเลยแยกใจแยกกายก็ได้เห็นว่าอ๋อมิติที่สี่มิติที่หถ้าถ้าไปแบบราชดำเนินนี่ยิ่งแบบชาตินิยมอะไรนิยมนี่จิตใจก็ยิ่งแบบ มีแรงเลยแบบเป่านกหวีดไปเลยประมาณนี้ค่ะก็ปับใจความรักมิติที่สี่ที่ห้าประมาณนี้ค่ะนมัสการอดีดีแสดงว่าจิตเจริญยิ่งไปเจริญไปถึงมิติที่หกที่เจ็ดได้จริงๆก็ยิ่งโอ้โหวิเศษเลยชาวโศกน้าอ้าต่อไปกราบนมัสการค่ะเดินแก้วนะคะอ้าวเดินแก้วทนไม่ได้แล้วค่ะทนไม่ได้แล้ว ก็ประทับใจนะคะคือความรักความรักมิติที่สีนี้คือดิฉันได้รับจากจากการคลอดลูกค่ะทีนี้ hmm. ก็เลยแบบว่าชุมชนเราเนี่ยต้องมีมิติที่สี่แล้วก็เราต้องดําเนินให้ได้คือเราได้รับแล้วเราต้องตอบแทนนะคะบุญคุณ<อ> น, นี้เราไม่ลืมเลยคะ่ะแบบ oh, ที่แบบ<ม>ที่<ด>ท <ำ S 2> ําทุกวันนี้ไม่ใช่หนักใจแล้วก็ไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะคะ<อ>คือประทับใจมากเลยที่แบบเรื่องเราตั้งแต่เกิด นบ อ, น, บบอนี่มีแต่เรื่องเก็บผักเรื่องเก็บผักทางนั้นเลยคือแบบออก็รู้สึกว่าประทับใจเดี๋ยวนี้เป็นบริหารไปถึงขั้นที่แบบว่าเวียนกันไปช่วยะ อ, ย อ, อะไรเงี้ยค่ะระท่านก็เลยแบบว่าวันนี้เมื่อวานก่อนก็มีน้องนุชน้องดาววันนี้ก็มีน้องน้องอะไรสองคนค่ะคือน้องพิมพ์ภากับน้องผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไปถึงปลายทางก็มีป้ามิมีกับ ว่าเปลี่ยนเก็บรออยู่ค่ะ oh. ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วค่ะทีนี้ขอบคุณน้องดาวน้องน้องน้องดาวกลุ่มสามนะคะ <c oughs> ที่แบบเป็นหัวเรียวหัวแรงค่ะทินเจ้าก็แบบไม่ไม่กล้าพูดอะไรเท่าไหร่คือแบบยังไงเราก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่าพอมาเข้าขบวนการกลุ่มคือเราก็ได้เห็นความรักทุกคนอะคะ่ะคือหวังดีต่อเราหมดเลยเราก็อุ้ยอดไม่ไหวแล้วเลยค่ะก <c oughs> ็ขอขอบพระคุณมากมา ก, มากเลยค่ะ Uh huh. ไม่รู้ว่าจะ uh huh. ขอบคุณยังไงเขานี่แหละคือเรียกว่าฟิโนเมนอนนันฟิโนเมนโลยีเป็นการศึกษาที่มีปรากฏการณ์จริงมีเรื่องจริงมีพฤติกรรมมนุษยชาติจริงเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจมีทั้งพฤติกรรมจริงขึ้นมาในกรณีของเดอนแก้วในกรณีของเก็บผักเนี่ย มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในสังคมกลุ่มมันเป็นเรื่องของมิติที่สี่นี่เต็มๆเลยอ่าท่า น, นอธิบายไปแล้วมันเป็นมิติที่สี่เต็มๆอ่าอย่างเดินแก้วเขาบอกว่าเราเองเราอยู่ที่นี่เราคลอดลูกในมะขามเนี่ยเกิดที่นี่ทำคลอดที่นี่อ่าเกิดที่บรรดาเนี่ยเลยแล้วก็ทำคลอดกันที่นี่เลยอ่ามอตาแยกก็คือพรตะวันเนี่ย ทำอยู่ที่นีน่แล้วเขาก็อยู่มาเขาก็แหมมาขามก็เป็นเด็กที่อาตมาว่าหายากนะเด็กเป็นมาขามัมาขามเนี่ยไม่นิสยัยมีอะไรแตไรไม่รู้สิเขามา จ, จากอะไรมาเกิดก็ไม่รู้ก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีตัวเขาก็ทำที่นี่อย่างเดินแก้วทำเนี่ยแล้วมันกเน็เป็นผลที่ให้รับการศึกษานี่แหละคือ ปรากฏการวิทยาฟิโนเมโนโลยีทีแท้ศึกษาดีๆจะรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าประเด็นนี้เรื่องนี้มันจเจริญขึ้นในในเรื่องของเนี้ยเรื่องเก็บผักเนี่ยถ้าชมชนของเราเนี้เรื่องเก็บผักไม่เป็นปัญหาเป็นระบบเป็นวัฒนธรรมที่จเจริญขึ้นอีกเลยนันมีน้ำใจมีคนที่รู้จักรับผิดชอบรู้จักช่วยเห็นจริงเลยว่าโอ้โหไม่ขาดแคลนแล้วดี เป็นวงจรที่สําเร็จเป็นวงจรที่ดีเกิดงานนี้คล่องตัวและกรุดมสมบูรณ์และเบาง่ายมีประสิทธิภาพสูงด้วยอันนี้จะเป็นการศึกษาที่มีผลเป็นสิ่งจริงยืนยันเลย<ร>นี่ <ขอ S 1> เป็นตัวอย่างขอพูดต่ออีกหน่อยนะคะอา้อาวเราจะพูดต่ออีกหน่อยก <c oughs> ็ <c oughs> อ, าอายอากระบายคุณังค่ะคือแบบเลยเอาให้พรช่วงที่แบบเพื่อนเพื่อนไปทํานาแล้วก็เพื่อนกลับบ้านทีนี้ก็ ตัวเองก็จะเรียนก็เปิดเทอมใหม่มๆคือแบบบอกๆก็ปฐมนิเทศ <c oughs> ติคม่าบอกว่าเดนเจ้ไปปฐมนิเทศแล้วก็กลับไปเก็บผักเหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> เดนเจ้าก็บอกเอ้าแล้วจะทํายังไงแล้วจะเรียนยังไงถึงมาไปเก็บผักเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยพูดกับ น, น้องหนึ่งดาวบอกว่าหนึ่งดาวพี่ก็อยากอยเรียนพี่ก็อยากอยากเข้าฟังธรรมอะไรองี้หนึ่งดาวเขาก็เห็นปัญหาเขาไปด้วยก็พี่พี่ต้องหาคนช่วยแล้วแล้วจะหาใครล่ะ หึ่งดาวเขาก็เดิมเนินการให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าพูดไม่เป็นหรือไม่เก่งอะไรนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องที่เก็บคนเดียวก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกคะ่ะเพราะนั้นก็อยากเก็บเปิดเผยว่ามีเพื่อนอยู่คือป้าฝากดีแล้วก็น้องนึงน้องน้องดังเดือ น, นะคะ่ะแล้วก็พอพอขับรถพื้นไปคนเดียวคะ่ะพอไปถึงสวนนะคะบอกป้าพาดป้าพาดเดินเจะมาคนเดียวป้าพาดเก็บอนันนี้อันนั้นให้หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เก็บให้คะ่ะแล้วก็พี่งามมุ่นอะไรเงี้ยอะไร อมแซบอุทยานต้องการก็พี่เขาก็เจ็บให้ค่ะเพราะนั่นก็แบบไม่เดียวดายค่ะที่ผ่านผ่านมาก็ใช้กุศ โ, โลบายแบบว่าไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าอะไรค่ะไปคนเดียวอยู่ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ค่ะเอออ้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างดูเหมือนมันไม่เรื่องยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องตัวอย่างที่อัตมาสมบูรณ์แบบทั้งรูปและนาม ทำพฤติกรรมทางภายนอกและจิตใจเป็นตัวจริงจิตใจเป็นตัวหลอนศึกษาดีๆแล้วก็ทำให้มันดีมี practicable practicable ให้ดีๆที่เกิด practicable ดีๆอ้าวอ้าวในเบนโขกดัดฮะโอกาสค่ะ <laughs> ต้องโดนดับนะ <laughs> ชื่อปุยดินหอมเนียมค่ ะ, ะที่อยากเปิดใจวันนี้ก็คือตัวเองมารอบนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เคยได้ยินพี่น้องและเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่วัดก็เคยพูดว่าไม่กล้าทุ่มเทในงานและแรงกายลงกลัวป่วยและไม่มีใครดูแล ก็ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็คนแก่ก็ป่วยก็ไม่มีใครดูแลทั่วถึงแล้วก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับหลานอะไรทำนองนี้นะคะก็เลยฟังมาแต่มารอบนี้ดิฉันเชื่อเลยว่าพ่อท่านพาธรรมนี่ความรักมีจริงเกิดจริงแล้วอาจจะเป็นรอบๆก็ได้ในช่วงระยะนั้นกับระยะนี้ไม่เหมือนกันค่ะแก็เออ ก็เลยเชื่อเลยว่ า, อารอบนี้รู้สึกว่าความรักขยายออกและมีความอบอุ่นเท่าที่ทฉันได้ไปอยู่รักษ า, าผ่าตัดตาในประมาณสองเดือนที่อยู่พักอยู่บ้านห่มฮมปัวองปัวนะคะทีนี้ก็มีลูกหลานที่ดูแล ก, ก็ด้วยความรักและความอบอุ่นและก็ทั้งผู้ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขอบอกเลยว่าเราเชื่อเถอะนะพ่อท่านพาทำนี้ใช่แล้วรอบนี้รู้สึกว่าอบอุ่นและก็เท่าที่บารมีของเรามีมีเราอย่าไปหวังอะไรมากเราก็พอได้มีความสุขฉันเลยลูกเขาโทรมาให้กลับบ้านและเขาจะมารับฉันตัดสินใจไม่ไปอยู่กับเขาก็ก็เชื่อเลยว่า ความรักความอบอุ่นมีได้เป็นได้เหมือนที่พ่อเคยบอกมาตลอดเลยนะคะค่ะอ้าวขอขอขยายความอันนี้นะขอขยายความอันนี้มันมีความซับซ้อนในเรื่องญาติเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเขาจะต้องช่วยกันด้วยความจำเป็นถ้าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในแวดวงญาติอยู่ในบ้านโดยเฉพาะอยู่ในบ้าน บวยขึ้นมาเจ็บขึ้นมาเดือดรอดขาดแคลนไดไขึ้นมามันก็ต้องช่วยกันเพราะมันแคบแคบแค่นั้นทีนี้พอมาเป็นญาติติดธรรมมาเป็นชุมชนมาเป็นหมู่บ้านคนเยอะหลายตระกูลหลายครอบครัวนะหลายหมู่ญาติของญาติครอบครัวญาติสายเลือด แต่เราก็ามจะมากระจายมาเป็นญาติธรรมมาเป็นพี่น้องตระกูลใหญ่มันก็เลยมากไม่ค่อยทั่วถึงนะแต่ที่ที่อาตมาอยากจะบอกก็คือว่ามันมีจริงในเรื่องของวิบากวิบากปัจจุบันด้วยวิบากอดีตด้วยวิบากอดีตเราไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าเราไม่รู้นึกไม่ออก เพราะฉะนั้นคนไหนจะได้รับความช่วยเหลือมีวิบากมีกุศลวิบากดีก็ได้รับความช่วยเหลือบุญเก่าดีนะัก็ไม่อะไรมากมายก็ได้จะมีรับความช่วยเหลือดีวิบากดีงั้นก็ว่าไปแต่บุญปัจจุบันกุศล ป, ปัจจุบันวิบากกุศลปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเข้ามาอยู่นี่ไม่เอาฐานเพื่อนฝูงในหมู่ในบ้านในในชุมชน เขาไม่ได้เห็นว่าเราน่าจะต้องช่วยเหลือต้องอะไรตะไรเลยมันเป็นของคุณแน่อันนี้เป็นตัวปัจจุบันที่จะชัดเจนถ้าเผื่อว่าเราเองเราทำดีจนกระทั่งคนอื่นเขาเข้าใจเขาเห็นเลยมันมีอย่างร้ายอยู่แค่แค่ว่าโอ้โหเราข ย, ยันนะขยันจริงด้วยภาคเพียรช่วยเหลือโอ้โหมีน้ําใจทำงานช่วยหมู่บ้านดีจริงเลยแต่ก็ยังมีไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือเรา แล้วก็ยังขาดบอกกล้องอันนี้ต้องโยนให้วิบากอิบากเกา่าตามมาทวงแน่ๆทาดีก็ไม่ได้ดีมีไม่คนช่วยอันนี้วิบากเกา่าเราแน่ๆเลยแต่ถ้าเพิ่ว่าไม่มีบวิบากเกา่าอย่างจริงๆแล้วใหม่นี่แหละปัจจุบันนี่แหละเราทําดีเอาประพฤติดีทําสิ่งที่ดีแล้วพิสูจน์ได้เลย ใครมาอยู่ในนี้เป็นหมาหัวเน่าเป็นคนที่ไม่เอาถานเป็นคนที่ไม่เคารงดีไม่ดีเป็นคนในอุแซนวุ่นวายอ ย, อยู่ในนี้ด้วยไม่มีใครเขาอยากจะช่วยหรอกตายก็ตายเจ็บก็เจ็บเขาก็ไม่อยากจะเอาตาดูหูแลหรอกอ่าเป็นอย่างนั้นมันจะเห็นเห็นเลยนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องศึกษาดีๆแล้วจะเข้าใจเห็นโอ้เป็นจริงอ่าเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนถ้าเข้าใจพวกนี้จะเห็นความจริงจากมวลมนุษยชาติในชัดๆ ยิ่งอยูในหมู่นี่จะรู้เลยเรื่องวิบากวิบากปัจจุบันหรืวิบากเพราะมันคนรู้รนี่พฤติกรรมแต่ว่าพฤติกรรมทั้งนิสัยจริตที่เห็นกันอยู่ในเนีย่ยมันเรียนรู้ได้เลยข้างนอกเราไม่รู้จักเขาเท่าไหร่แต่กระบทบาทงานหรือว่บาทการกระทําประพฤติข้างนอกมันก็ยังดีก็ยังมีรูปร่างถ้าบอกว่าคนที่เป็นคนสังคมเป็นผู้ที่ทางานทางสังคมก็พอเห็นแต่กาทํางานส่วนตัวเขาเราจะไปรู้เห็นน่นเลยคนข้างนอก แต่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนพวกนี้แหละเราจะรู้จะเห็นได้ศึกษาอย่างวิเศษเลยเราจะเห็นความจริงพวกนี้มีความรู้ที่มันไม่มีหรอกในตำรามันละเอียดลึกซึ้งกว่าตำรามากไม่มีตำราไหนเขียนได้ละเอียดชัดเจนเท่าหรอกฟังเข้าใจไหมไอ้จีอัตมา ก, กําลัขงขมวดปมทีให้พวกคุณไปฟังแล้วก็ให้ศึกษาดีๆแล้วก็ประพฤติต้องศึกษาตัวเรานี่แหละเป็นหลักเลยแต่อย่างที่ พูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ดีแล้วยังยังดีที่ว่าเห็นความจริงแล้วแสดงว่าความจริงของพวกเราพอมีอยู่จริงๆมันไม่น้อยไม่อะไรไปจริงๆเป็นไปได้แล้วหลายคนหลายผู้จะอย่างนี้มาหลายเวลาพวกเราโศกแต่มันควรจะชัดเจนแล้วดียิ่งขึ้นดีจริงๆมีน้ําใจกันอย่างกุลีกุจอมีน้ําใจกันอย่างคมีขมั น, นข้นควาอะไร ต, ต่างๆวนวนาไม่ดูดายอะไรกัน จริงๆมันก็เป็นจริงใครฝึกใครรู้สึกใครพยายามพากเพียนกรรมที่ทําแม้แต่คิดไม่ลงมือทํามือตรงมือพูดอะไรก็แล้วแต่กรรมทุกกรรมเป็นของจริงที่เป็นคะแนนของความเจริญของเราเท่านั้นถ้าเราเพียรในความขยันต่างๆมันจริงๆมันมันได้มันไม่มีเสียเลยมันไม่ไปไหนเลยอ้อ า, อาวอ้าวเบน ยกมือยกแล้วยกอีกขอการ์ดค่ะเอาเยวเดี๋ยวเอเอานี่เขายกนานแล้วเบนนี่ให้อยเพิ่งตัดหน้าเอาเอาเอาเลยเอาในเบนเอาเด็กนี่ก่อนการหลวงปู่ค่ะเอาเอดังดังมั้งดังใส่ปากดูการพิธีการหลวงปู่ครับเออดังวันนี้ไม่ได้ถามอะไรหรอกครับแค่จะมาบอกความรู้สึกของความรัก มิติที่หนึ่งถึงมิติที่ห้าครับโอเอาตํางหนึ่งถึงหเลยอเอาเลยเอามิติที่หนึ่งก็เคยเห็นคนเขาคิดถึงผู้ชายคิดถึงผู้หญิงมาแล้วครับมิติที่สองก็เคยเคยสัมผัสมาแล้วครับว่าเคยเป็นลูกมาเนาะมิติที่สก็เคยมาหลายครั้งครับอ้าวมิติที่สามเคยมาหลายครั้งอะา่าติโกโยติกา อ่าทำไมมันเสียงไม่เคยดังเลยเอาจอปากดีๆอ้าวอ้าวมิติที่สี่บอกยมพิจิตที่ี่ที่ห้าไม่ได้ยินเลยตอนนี้เลยไม่ได้ยินเลยไมโครโฟนอ่าเป็นอะไรอ่ะอ้าวพูดเลยความรักมิติที่สี่ก็เออ ความรักมิติที่4ก็ได้สัมผัสทุกวันครับเวลาทำงานเวลาพบกับผู้ใหญ่ใช่ชุมชนเราเยอะมิติที่หก็ก็สัมผัสมาเยอะครับออรู้สึกรู้สึกแค่งเครียดไปชุมนุมกับกบรกต <laughs> ไปไปศึกษาเรื่องกรณีพิพาทเขาพระวิหารมันก็ปวดหัวหนักสมองคับ <laughs> อ้าวยังเกินแรงเราเราเอาแค่ในชุมชนก่อนเอาให้จาช่องเลยในชุมชนนี่แหละความรักมันก็แตกต่างกันครับแค่นั้นเหรอครับเอออ้าวออ้าเป็นการทดสอบในเด็กๆเข้าใจได้อ้าวปรกาศค่ะอ้าวจะแย่งกันได้ไมโครโฟนคนละอันแล้วเนี่ยตอนนี้ชักจะแย่งกันแล้วความรักมิติที่ห้าค่ะ เมื่อมีการชุมนุมที่ไหนเป็นต้องไปทุกทีค่ะตั้งแต่วันแรกโดยเฉพาะกับกบปปสไปตั้งแต่เดือนสิงหาตั้งแต่มีการชุมนุมที่สวนลุมซึ่งอโศกยังไม่ไปเลยนะฮะดีฉันไปก่อนเลยค่ะ ทนไม่ได้เลยนะฮะมันมันรักประเทศชาติยังไงไม่รู้แต่ที่จริงนี่นะความรักมิตรที่มาที่ไปประเทศชาติที่เราพาไปกันไปเนี่ยมันเป็นความรักมิตรที่หกไม่ใช่ห้าหรอกมันหกก็ดีขึ้นค่ะก็ยิ่งดีค่ะที่5้าใระดับกว้างขึ้นไปมากอําเภอหน่อยมันอยู่ในขอบวแวดบวงพวกเนี้ถ้าชุมนุมที่ไหนก็ไปเด็ก็ไปไปลูกก็เต็มใจว่าเต็มใจตายเพื่อชาติ พร้อมที่จะตายหซือตาชีวิตรอดได้ก็ยิ่งดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ามันมีใจจริงก็อ่าว่าบอกใจจริงออกมาอ้าวเมื่อกี้นี่ใครขอโอกาสค่ะอ้าวทางนี้นี่เมื่อกี้อ้าวอลอกร์หน้าชื่อเรือนแก้วดีเลศีค่ะขอกราบน้ำมการพ่อครูค่ะแล้วก็กราบน้ำศักดิสิทธ ท่านสมณะท่านสิขามาต์า ค, าค่ะขอจะเจริญธรรมทุกท่านนะคะออขอโอกาสนี้นึ่งนะคะพูดถึงสภาวะการดิฉันจะประทับใจอยู่ตลอดเวลานะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมชุมนุมนะคะโดยเฉพาะในปี 5-4 ที่เราอยู่ข้างธรรมเนียบจะรู้สึกมันประทับใจตลอดเวลาคืออุ้ย ถ้าเราไม่ออกไม่ลาออกงานเราจะไม่มีโอกาสได้ร่วมขนาดนี้เนะี่ยปีนั้นเป็นปีที่ลาออกอแล้วก็ได้ไปร่วมทันทีมันก็เลยเไปทุ่มโถมได้ตลอดเลยค่ะก็ขอรายงานสภาว่าตรงนี้แค่นี้นะคะโ อ, อะแล้วก็ขอถามปัญหาพ่อคู่ค่ะคือดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะจิต รู้จักอโศกตั้งแต่ปี2 9นะคะโอ้โไม่ไม่น้อยรู้จักแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะคือ <c ười> คุณพ่อบ้านเขารู้มาก่อนเขาทำมาก่อนแต่เราไม่เอาอทีนี้ปี 5, 1, ห1ที่ได้รับรู้จากข้อมูลข่าวสารของเอฟเอทวก็เริ่มปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัตทิทานอาหารมังสวริรัตมื้อเดียวมาตลอดจนปัจจุบันนะคะโอ้ิแล้วแล้วมีปัญหาว่า <9. S 2> มันก็ไม่ได้บริสุทธิ์อะไร ตลอดเวลาแล้วพอดีปัญหาลูกสาวที่ไม่สบายที่ป่วยด้านจิตนะคะแล้วจะสังเกตตัวเองว่าเวลาตัวเองผิดศีลการกินหรือว่าจุกจิกตอนเย็นอะไรแบบนี้ฮะส่วนอย่างยกตัวอย่างเช่นลูกสาวเขาชอบทําขนมหอมๆในตอนเย็นแล้วก็จะอดไม่ได้ <c oughs> กิเลสตัว น, นี้มันเยอะอยู่แล้วเขาก็เอาให้แม่ชิม แม่ลองชิมหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็อยากอยู่แล้วก็กสนองไงสมกันมันก็สังเกตได้สองครั้งพอหลังจากที่ที่ทานไปสองครั้งเนะ่เขาจะมีอาการมากขึ้นในวันต่อมาคือซึมเศร้ามากร้องไห้อะไรแบบนี้ฮะสังเกตเห็นได้สองครั้งครั้งที่สามเราก็เลยอยากทดลองว่ามันมันเกี่ยวอะไรกั น, นก็เลยชวนเขาทาขนมชวนเขาทาเองเลยพาเขาทำซาละเปา ก็ทานกันหมดในตอนเย็นพอเช้าอีกจากที่เขาไม่เป็นมานานสามประมาณสองหรือสามเดือนเขาก็มีอาการอีกก็ร้องไห้ซึมเศร้ามากขึ้นแล้วก็กราบแม่ขอลาตายอะไรแบบนี้ ก, ก็เป็นมากเราก็ปลอบก็อะไร ก, ก็คลายไปทีนี้สงสัยคือมันมัน มันเกี่ยวพันหรือโยงใยกันยังไงแล้วหรือว่ามันเป็นแค่อุปทานของเรานะคะพ่ะท่านก็อยากถามท่าท่านค่ะอาตมาตอบไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้เนี่ยนมันตอบไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรเอาแต่ผลมาให้อาตมารู้อาตมาก็ไม่รู้ว่าเหตุต่างๆมันเกิดมายังไงบ้างนะจะไปโยนให้อดีต จะไปโยนให้วิบากเก่าอะไรอย่างเดียวมันก็ไม่น่าจะได้แก้ปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยต่างๆที่มันมีมามันทำทให้เขาเกิดอาการอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันเพราะเหตุอะไรอทำมา ก, ก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้ตอบอยังไงเพรานะะมันก็จะต้องมีเหตุนะก็ต้องไปตามดูเหตุว่าที่เขาไม่เกิด มันรู้สึกมีชีวิตชีวามันอยู่แต่ในภพอยู่ในอะไรเนี่ยเล็กน้อยสักแล้วก็ซึมเศร้าเข้ามาซึมเศร้าเลามาอะไรมันเพราะอะไรเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยมันก็ต้องไปตามดูจริงๆอะว่ามันเกิดจากเหตุอะไรพราคุณก็ต้องรู้ต้องดูเพราะว่ามันเป็นลูกเราหรือว่าเป็นอะไรของครอบครัวเราของผู้กใกล้ชิดเราให้คนอื่นก็คงจะรู้ยากนะอัตมากาไ็ไม่สามารถตอบจริงๆนะ อขอการ์ดค่ะดิฉันดังเดือนค่ะอยากถามเพราะท่านว่าความรักมิติที่หนึ่งนี้คนเราเวลารักกันแล้วช่วงโปรโมนี้จะมีความสุขแต่หลังจากที่ตกลงใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนรู้ใจนี่ไม่ไม่ใช่ค่ะ <laughs> มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ที่คล้ายๆกับว่าเรานิสัยหาทุกข์ มีทั้งความห่วงห่วงหึงมันรุมถึงจิตใจซึ่งสาวๆนี่เขาสงสัยตรงนี้นะคะว่าทําไมถึงอารมณ์คนคู่กับอารมณ์คนโสด <laughs> เขาสงสัยคะ่ะว่าช่วงโปรโมททันระยะสั้นแต่ความทุกข์ระยะยาว่เขาถามว่าตั้งเช่นี้ค่ะเขาขึ้นค่ะโอ้ย oh, อันนี้อาตมาว่ามันร่องรอยเดียวกันหมดแล้ว mm hmm. น, นะรอ่รองรอยเดียวกันหมดแล้วที่คุณเรียกโปรโมทกันตามเรียกว่า ยุคไอ้ช่วงน้ำพึ่งเดือนห้าก็ตามอะไรเขาเรียกอะไรนะั่นน้ำพึ่งอะไรฮะฮะฮะน้ำพึ่งน้พึ่งพระจรันทร์ไม่ใช่น้ำพึ่งของหวานน้าพึ่งพระจันทร์ค่ะไม่ใช่ในในในตอนที่เราดูในระว่างฮะ ช่วงดื่มน้ำพึ้งพระจันทร์ครับเดินน้ำพึ่งกันแหละมันก็อย่างนั้นเนี่ยน่ะมันเป็นทุกคนแหละอาตมาว่าถ้ามันเกิดจากความน้อยใจจะเป็นเกิดเกิดความจํานนอะไรรอต่างๆถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเนี่ย่ะแล้วมันก็พอพอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่หลอกแล้ยิ่งมีวิบากมีเรื่องราวอย่างภาระอะไรต่างๆนานาเข้าไปยิงจ็บคุณโอยว่ากันไปเถอะนะมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยที่จริงไม่น่าจะศึกษาก็รู้ เห็นตําตาก็อยู่ทั้งนั้นแหละจริงๆอ่ะก็จะให้ไปทํำยังไงล่ะผ่านไปแล้วก็ต้องค่อยๆคลี่คลายก็ต้อยดูก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตมาว่าพวกเรานี่มาศึกษาถ้าเผื่อว่ายิ่งดีนี่นะของคุณก็ดีนี่นะคู่กรอบมาเข้ามาในนี้แล้วก็ค่อยๆใกลมามาอะไรมาขึ้นมากขึ้นก็ดีแล้วก็ค่อยว่ากันไปอย่าใจร้อน เราค่อยๆใช้ศิลปะเอาตัวเรานี่แหละให้ดีๆถ้าตัวเราดีจริงๆเลยนะเป็นธรรมะอาตมาเชื่อว่าคนที่เข้ามาทางในนี้ได้เข้ามาถึงอยู่ในหมู่บ้านนี้เอาชีวิตมาอยู่มนันเวลาเอาเวลามาใช้ในนี้ได้เนี่ยได้ทุกคนแน่จริงขอให้ตั้งใจดีๆภาคเพียรต้องมีศิลปะมีความรู้หน่อยว่าเราจะทําอย่างไรแล้วมันจะได้จริงๆได้ทั้งเราได้ทั้งเขาช่วยกันทั้งนั้นนะ เอไปหาดูโอโหแย่างกันเอาเอาใบฟ้าก่อนเนาะเอาใบฟ้าก่อนค่อยค่อยเอย็นยิ่งค่ะก้าวข้ า, ขาการค่ะที่ท่านว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิติที่สี่ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะกําลังอยู่ในยุคอย่างสําคัญมากเลยสำหรับชาวโซนในมิติที่สี่เนี่ยเราอยู่ในชุมชนบุญนิยมนะคะโดยเฉพาะบ้านราชของเรานะคะซึ่งมีทั้งเด็กๆมีทั้งท่านสำนักศิคมาศแล้วก็ วนบอนะคะทีเ่เป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นดิฉันใบฟ้าก็วรบอเช่นกันค่ะดิฉันซาบซึ้งใจมากครัเพราะท่านว่าความเป็นญาติก็คือต้องพึ่งพา ก, กันได้บางทีเราก็สับสนคราทีญาตเราจริงๆเพึ่งกันไม่ได้ <c oughs> แล้วพี่น้องก็เสียความรู้สึกว่าทำไมพี่คนนั้นพึ่งไม่ได้นิยามตรงนี้นะคะทน่นเอาไปอธิบายกับ พี่น้องในครอบครัวว่าความเป็นญาติคือเช่นนี้นะคะก็ทําให้คลี่คลายไปได้เหมือนกับพท่านใช้คําที่แรงๆนะคะว่าศัตรูอาศัยรูเดียวมาเกิดอะไรนะคะ <c oughs> ก็คลี่คลายได้รางทีมันอบอ้าวมากค่ะทีนี้หันมาดูในชุมชนของเรานะคะพท่านบอกว่าเราเอื้อมเอื้อไปถึงสังคมนะคะชุมชนชุมชนนิยม หรือสังคมนิยมขณะนี้เรามีคนงานนะคะที่เข้ามาทํางานในบ้านราชเราถ้าพูดถึงการตลาดตอนนี้ลูกค้าเราเข้ามาแต่อยู่ในฐานะคนงานแนลคิดว่าคนงานเหล่านี้เนี่ยถ้าให้เราให้การต้อนรับนะคะเหมือนกับคนที่มาดูงานในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะบริการอาหารด้วยความเต็มใจอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขาแม้เขาจะเป็นคนงานที่มีผลตอบแทนได้เงินทอง แถมอาจจะต้องหน้าสือธรรมะนะคะหรือของแถมอย่างที่ท่านเสมาศก้าวขามฟันเลยแถมปักทองลูกโตๆโตอุ้มกลับบ้านไปไคะ่ะสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นความเหมาะสมใช่หรือไม่ครับพระท่านได้ได้ต้อง เ, เลือกคนไหนบางคนนี่ก็ลงโทษหน่อยไอ้คนนี้ไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้รางวัลไม่ให้อะไรบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยดีครับตดามันก็เป็น เราต้องใช้ศิลปะเล็กน้อยอันนี้ซึ่งไม่ได้ยากมากเท่าไหร่หรอกมันพอรู้อันนี้เหมาะควรเอออันนี้เออให้น้ําใจอันนี้เขาคนนี้ขัดเราก็เถอะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าไม่เพียงเขาได้เงินทองเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างใช่ไหมคะและไม่เพียงเขาจะได้รับทานอาหารบางสรวฟรีในชุมชนแต่เขาได้สิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณซึ่งเราเราได้เรียนรู้ค่ะในเรื่องของ S b หรือ Spiritual Value นะคะนะคะที่ได้ให้ และขณะ น, นี้ทางวอรบอเรากำลังก้าวสู่สังคมนะคะเราจะเอาความรักของเรานะคะที่จะหล่อล้อมให้ความเป็นบอลซึ่งพระ ท, ท่านบอกว่ายังไม่ค่อยจะเรียนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องต้องขอเรียนว่าจำจากคุณหนึ่งฟ้าว่าอายุเราวันนี้คะ่ะครบ2เดือนพอดีคะ่ะอายุของวณบอลเพิ่งสองเดือนครัพระท่านพอดี2เดือนก็ใช่ได้นะขนาดนี้เนี่ยขอให้มันทรงขนาดนี้เลยมันก้าวหน้ากว่านี้เถอะ อย่าให้มันสุดโซกว่า น, นี้ก็แล้วกัน<า>แต่สุดโซไอคําว่าเสื่อมไม่ขอใช้นะไม่เอานะาอย่าให้มันซุดโซกว่า น, นี้ก็นแล้วกันอสองเดือนมันได้ขนาดนี้ก็บุญนักหน า, าละาซึ่งเราก็ประชุมกันในในในช่วงครั้งครั้งสองครั้งนะคะว่ า, าเราจะเอายุทธศาสตร์ของบุญนิยมคะ่ะที่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรักใช้<า>ให้ความรักของเรามิตินี้นะคะไปสู่กับมวลมหาประชาชน ว่าอย่างนั้นเลยนะคะในเทศกาลกินเจให้เขาได้รับอาหารบุญนะคะอาหารเพื่อสุขภาพและเมตตาธรรมโดยที่เราจะยกระดับค่ะเราไม่เพียงที่จะไปทํางานจะดูดจะดูะจะดูแต่เราแต่เราก็จะให้ SV นะคะที่เราไม่รู้เราจะดูที่น่าคื อ, อคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะทั้งพวกเราเองด้วยและทั้งประชาชนที่มาด้วยเพราะฉะนั้นกราบขอว่าท่านลอ ง, ลองดูพวกเราให้กำํำใจพวกเราด้วยนะค ะ, ะจะดูพวกคุณแ r a c t i c e มันจะเกิด practicable หรือเปล่าโอกาสครับกาบนาชการพราะครูกาบนาชการสมณะจิกมาศและก็เจริญธรรมพวกเราทุกคนครับผมอยากจะพูดถึงมิติที่สี่ครับคือผมรู้สึกว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่นะครับก็เดือนกว่าแล้วก็ได้รับความรักซึ่งครูบอกว่าอยากจะจะแปลความหมายว่าเป็นความมีน้ำใจหรือความเมตตา ซึ่งผมได้รับจากสามณะได้รับจากศิกมาสตรและได้รับจากชุมชนของเรานะครับผมก็รู้สึกอบ่นรู้สึกเข้าถึงได้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีอะครับทีนี้ผมอยากจะพูดว่าเออใจตัวเองนะครับก็อยากจะแผ่ความรักไปในคนที่เข้ามาในชุมชนนะครับอย่างเช่นคนงานนะครับเขามาทํางานกับทีนี้ว่าผมก็ยึดคําสอนเจ้าบอกว่า ทรงสารเสริผู้มีปฏิสันฐานก่อนนะครับผมก็พยายามที่จะเข้ากับคนงานทั้งของท่านพอแล้วทั้งของท่านด่วนดีสรุปว่าของท่านพอแล้วผมเข้าได้หมดแล้วสามารถที่จะเข้าใจกันอะไรกันพูดคุยกันได้มีน้ำใจกันได้มีความเมตตาต่อกันได้นะครับแต่ของท่านด่วนดีนะครับ <laughs> มันเป็นเรื่องแปลกๆที่ผมยกมือไหว้เขาแล้วก็ทักเขากินข้าวหรือยัง วันนี้ผลน่าจะตกไหมอะไรคือพยายามหาเรื่องพูดกับเขาครับแต่เขางงๆครับโค้ท่านเข่องงเข่องงมากที่เห็นผมแสดงกริยาเป็นการเล่กับเขาทีมกับเขาพูดกับเขาก็งงมากไม่พูดด้วยเลยครับวันแรกวันนี้สองก็ทําอีกวันนี้สามก็ทํำอีกจนกระังเดี๋ยวนี้เขาเริ่มพูดกับผมหลายคนแล้วเพูดกับเราอย่างง้นอย่างนี้พวกเราอันนี้เขาเรียกว่าภาษาของพระพุทธเจ้าว่าปฏิสันถานพระพุทธเจ้าบอกว่าควรมีปฏิสันฐานก่อน ผมหิปฏิสันทานก่อนเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกันอย่างอันนี้ก็เรือลาลํากอกแหกครับซึ่งมันผูกมากเขากําลังแซกําลังงัดอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเออลานี้ผูกมากนะครับของอุ้งผู ก, ก, กผูกมากแข็งนี่ให้เอาขึ้น <laughs> ไอเป็นอนุสรสําคัญเลยนะลำลำกงแหกเนี่ยเนื้อเปื่อยอะไรครับแล้วก็<ำ>เป็นลําแรกวัตถุมาให้ขึ้นไอไอนั่นแล้ว <ร>ทำเสาประยุทธ์ก็เหมือนกันรู้ตกาเปือยมากแต่ปเป็นของ<า>คนงจีนเนี่ยเข า, เาจะขึ้นหิ่งไว้แล้วก็ติดทองในของคนจีนนี่ยเขจะขึ้นหิ่งไว้แล้วปิดทองประเด็นว่าเราคือเราพยายามที่จะมีปฏิสันธ์กก่อนแล้วก็ตัดความ ร, ระแวงถ้าเรายังเอาข้อมูลมาแล้วก็มีแต่ความระแวงเราก็แสดงกริยาท่าทางหน้าตาไม่ดีมันหนีลังสีอะครับผมคิดอย่างนั้นมันมีลังสีออกว่าเราไม่ไว้ใจเขา เราไม่ชอบเขาเรากลัวเขาอย่างนั้นกลัวเขาอย่างนี้แต่ถ้าเราตัดตรงนั้ น, นออกเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็เห็นจิตเราได้ว่าเออเราเบรสุทใจกับเขาเ <crawling S 1> ขาก็เริ่มพูดด้วยเริ่มดีด้วยผมรู้สึกเออบรรยากาศดีขึ้นผมก็ยออพยายามจะทําต่อไปคืออยากอยากอยากจะบอกว่าเออชุมชนเรามีความถูกนะคนที่เข้ามาชุมชนก็ต้องมีความถูกด้วยผมคิดอย่างนั้นนะครับ <omic S 1> ก็ได้รับความถูกจากเด็กอาชีวะ ด, ด้วยอดพูดไม่ได้ครับค<ม>ือเด็ก เ, เขาก็รักผมเด็กอาชีวะตอนแรกก็งงเหมือนกันเด็กนะครับ ไม่ทราบเป็นเื่ออะไรเขาจึงงงครับเดี๋ยวนี้เขาก็รักผมผมขอให้เขาทำอะไรเ้าก็ทำให้ทันทีครับขอบพระคุณมากครับอ้าวอ้าวอีกคนหนึ่งขอโอกาสค่ะอ้าว อ, อ, อ, อีกคนหนึ่งหึงดาวนารวมุุิยมค่ะอ้าวคนเดียวอีกคนหนึ่งขอขอโอกาสนะคะมิติที่สี่นี้ช่วงนี้กำลังเฟื่องฟูนะคะก็เห็นพี่จันแก้วขึ้นพูดวันนี้ดิฉันก็สบายใจนะคะเพราะพี่เขา คงมีความสุขขึ้นค่ะก็ที่เขาส่งข้อมูลมานะคะผู้ที่มีจิตอาสาคือทำชุมชนของเราให้สมบูรณ์เพราะเกิดจากความรักนี่นะคะก็เห็นความเคลื่อนของการพัฒนาในหมู่กลุ่มพวกเรานะคะในชุมชนเราก็ขออนุญาตอ่านนะคะมีคุณนุชเพียนเพนไพรนะคะ คุณดาวสู่แสงพุทธคุณนีทำทางชีพแม่เทียนดินแม่เทียนดินนี่ช่วยได้บางวันนะคะไปช่วยเก็บผักนะคะ ท, ทั้งที่มีเวลานะคะค่ ะ, ะคุณมันตรองนะคะเฉพาะช่วงบ่ายค่ะช่วยบางวันที่ไม่ติดนัดอื่นนะคะอาสุริยันค่ะแล้วก็อานหอนเถินค่ะน่าชื่นชมนะคะเอ่อ แมนดาวเพนนะคะคุณงามบุญค่ะแล้วก็อาแก่นไทยค่ะป้าพัชบุญกับป้าสีดานี่ช่วยเก็บเป็นบางครั้งที่เรียกช่วยนะคะก็จะเก็บไปส่งที่อุทยานเลยค่ะก็ขอรายงานผู้ที่มีจิตอาสาช่วยนะคะแม้แต่คนอื่นช่วยในจุดอื่นก็ถือว่ามีความรักในชุมชนค่ะอาดี อ้าวทุกคนได้ยินแล้วก็เดี๋ยวก็พยายามมีน้ำใจไม่ได้ลองทำดูก็ลองดูบ้างนะอ้าวหมดสำหรับนักศึกษาที่นี่มานักบวชอ้าวใครขอโอกาสครับเอาเลยคือจามาฟังดูตั้งแต่มิติที่หนึ่งสหรือหเนี่ยถ้ามาระลึกถึงตัวเองเนี่ย คือเราทําทุกมิตินั่นแหละแต่ว่าเราจะจับสภาวะได้หรือไม่แค่นั้นเองนะอย่างมิติที่1มิติที่สองเนี่ยเรารู้เหตุผลว่ามิติที่1คืออะไรมิติที่2คือเหตุผลคืออะไรนะพวกนี้มันจะทําได้ง่ายหลักการง่ายก็คือขยันเข้าไว้นะแล้วก็ฝึกตนให้ได้การฝึกตนเนี่ยอย่างสมัยที่ธรรมามาอยู่สันติอโสงเนี่ยอตาตมาจะนอนที่ศาลานะพอนอนที่ศาลาเนี่ย กว่าจะนอนได้มันสี่ทุมกว่าหรือ5้าทุ่มเพราะว่าเขาฉายหนังอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาตื่นก็ปาหน้าเขาจะมาถูสารานแล้วก็ตื่นตีสองตีสามมันก็จะได้ฝึกฝึกตัวเองอะนะถ้าเราไปชมรอไปอะไรพวกนี้มันก็จะได้เรียนรู้งานการอะไรหลายๆอย่างนะถ้าเราฝึกขยันแค่นั้นแหละเราต่อสู้นะการที่จะเรียนรู้เรื่องของมิติหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะที่ที่เรียนรู้มานะ แม้ว่า6 7 8อะไรพวกนี้เราฝึกไปแล้วเราเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ให้ได้อ ะ, ะเจริญธรรมสาธุขอการั บ, บ้านลาดพ่อครูบอกวา่าเป็นเมืองหลวงของชาวอโศก ค, คือถ้าเป็นเมืองหลวงแบบโลกีคือดูดคนทั่วประเทศไปตัวเองเสพไป ห, หมด ท, ทั้งนั้นะในอย่างกรุงเทพมหาคนคร แต่ราชดาิยาโสกเนี่ยเป็นเมืองหลวงเนี่ยเราต้องรู้ว่างานต้องหนักกว่าที่อื่นเสียสลามมากกว่าที่อื่นช่วยเหลือคนอื่นและขาดทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือความรู้สึกของผมเป็นอย่างนั้นใช่ใช่คือถ้าอยู่เมืองหลวงเนี่ยไม่มีความสุขสบายแน่นอนจะ ต, ต้องเสียสลามากกว่าเขา <c oughs> ให้มากกว่าเขาลําบากมากกว่าเขาแล้วก็เกือกคุคนอื่นมากกว่าเข า, เาจะต้องกลับกับโลกีไปเลยจะตามมิติที่พระครูบอกเราจะมีความรัก กับชุมชนชาสวสกุลอื่นเพิ่มมากขึ้นเสียสละมากขึ้นนั้นอยู่ที่บัลาดยังมีการเสียตระแม้แต่ข้าวราธานีอส่ยปีนี้ก็ขายขาดทุนไป5้าล้านบาทนะ mm. แน่นอนอะไเงี้ยคือมันจะมีที่ไหนจะซื้อข้ามาแล้วก็ตั้งใจขาดทุนอะไรเงี้ยนะและระบบของพ่อครูนี่เป็นระบบที่ดีมากเลยผมชอบมากเลยการค้าบนนิยมคือขายขาดทุนได้เนี่ยคือเรารู้สึกสบายใจมากเลยนะเพราะเรามีเรามีของเยอะเราก็ไปขาดทุนอะไรเงี้ยนะ เพราะว่าขาดทุนคนต้องซื้ออยู่แล้วมันเป็นเรื่องมิติที่เรารู้สึกเออการค้าระบบอนิยมเป็นการค้าที่ดีมากนะเปนน็นการค้าที่ได้บุญคือระบบการขาดทุนและที่สุดก็คือแจกฟรีแต่การแจกฟรีมไม่คนจะไม่ค่อยมารับเท่าไหร่แต่ขาดทุนเนี่ยคนจะมาซื้อเยอะนะเห็นตลาดระยะที่ราัธเนียสงปีนี้เนี่ยที่กรุงเทพเขาก็จัดที่นี่ก็จัดเนี่ยเราจะมีเตาเก่าๆไว้ที่นี่นะแต่เตาเราก็ลดราคารเราไปอีก พอเขาซื้อไปยกหลุดเนี่ยเราลดราคาไปเขาก็ยังซื้ออีกเราก็งงอ้าวทาไมซื้ออะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจคนเนี่ยประชาชนแปลกมากเลยครับไอกระติกน้ําที่มันแตกแล้วก็บอกลดราคาเนี่บอกลดอีกกอาซื้ออีกเลยซื้อผมก็เลยรู้สึกว่าออระบบขาดทุนของพวกครูเนี่ยมีอะไรก็ขายได้หมดแน่นอนร้อเปร์เซ็นต์วยัออยงไงไงประชาชนก็นิยมของถูกของดีราคาถูกซื้อสัตว์มีน้ําใจผมว่าเป็นระบบที่เกื้อกูลและลดละความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแม้แต่จะไปต่างประเทศเพ่อครูก็ให้นิยามไว้ว่าถ้าเราติดต่อกับใครหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เราต้องเป็นคนที่ขาดทุนเราต้องเป็นคนที่เสียสละไม่ใช่เอามาหาเข้ามาหาตัวเองอันนี้ผมว่าเป็นการค้าเป็นระบบการเสียสละเป็นความรักมิติที่ยาวไกลก็มาสการแค่นี้ครับเอาไว้รอถึงโอกาสเมื่อ น, นั้นนะนะเมื่อที่ชาวโซลพร้อมที่จะเกื้อกูลไปถึงต่างประเทศได้นะเมื่อ น, นั้นเธอะ คนทั่วโลกเขาจะสัมผัสได้ดีกว่าเพราะคนไทยเนี่ยยังมีอคติโดยเฉพาะชาวโลหรืออัตมามากอยู่ถ้าเราสามารถที่จะเอือ้อเอือเอ้อเกื้อกว้างออกไปได้ถึงขั้นนั้นแล้วก็รับรองเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่อาจจะยังไม่อาจเอื้อมอะไรหรอกเราก็เขาเคยทำไปไม่ต้องไปคิดอา้าขาภาวะปีกอะไรแต่ว่าอย่างที่พูดในตะเพะว่าถึงวารานั้นโอ้โหอัตมามันติดเครื่องเทอร์โบเลย อ้าวฝ่ายยิงารพ่อครูท่านสำนักทุกรูปมันเต็มมากค่ะจะเป็นมทุกท่านค่ะได้แล้วได้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือกันกี้ก็พูดถึงในมาขามนะพันหนึ่งเนี่ยเลิกจากรายการทํามวัดเย็นเนี่ยฟังพ่อครูเนี่ยก็เห็นนมาขามเนี่ยไปวนอยู่ข้างเตากับแม่กำลังกวนซุปถั่วงานั่นแะก็ช่วยช่วยแม่ทำอยู่นะคะ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาทำวัดเอ้าในว่าขามาอยู่กับแม่อีกแล้วโอโ้โหใจใจนึกเด็กอัฉริยนะเลยเด็กอัริยะอะไรมาเกิดได้เนี่ยแล้วก็ขอชินชมนะส่วนพระฝั่งนี้วันนี้ก็พูดถึงออกมาก็เออวันนั้นเมื่อวานนี้พระฝั่งลงมาจากรถหล้อนะคะออตตวเองก็เดินยิ้มไปพระฝั่งก็ลงไปออน้ำมสการสิกมารมีอะไรบอกได้นะคะ เรียนทาอะไรผิดบอกได้นะคะสิ่งมาดยิ้มอะไรอ่ะก็เลยบอกว่าอยิ้มที่พระฝังน่ะเอาภารัทุกอย่างทั้งเรื่องเด็กนี่เป็นภาระจริงจริงโอ้ยมันเป็นตัวเป็นตนไปแล้วล่ะค่ะเป็นชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างที่พระฝังพูดเมื่อกี้หนักหนักหนักมันหนักอยู่ในวัดนี่ยังดีกว่าเป็นหนักอยู่ที่บ้านซึ่งเหมือนอันนั้นหนักอันนั้นมันไม่มีทางออกด้วยส่วนมิติ ที่ห้านี้เมื่อกี้ผู้ครูบอกว่านักบริหารตัวจริงต้องทำหน้าที่พอดีอ่นเราคิดอะไรนะคะออขอสอชหอัวหน้าคอสอชเขาบอกว่ายิ่งมีอานาจยิ่งต้องทำตัวให้เล็กก็พอดีในคอลัมน์ของที่ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ของโพธิศาสตร์บนดินกับโพธิศาต์เหนือโลกเนี่ยไอสไตล์นี้เขาบอกว่า ผู้เข้าถึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือการเข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริงส่วนคันธีก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นหาใช่เป็นนายไม่หากเป็นคนใช้ของอินเดียและของมนุษยชาติส่วนของพ่อครูนี้เมื่อกี้คุณเย็นยิ่งเขาพูดหรือว่าคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ปฏิสันถานก่อนเนี่ยเขาเพื่อว่า เ, เ, เพื่อที่จะเผยแพร่ความรักความเมตตาอันนี้ของพ่อครูท่าน บอกว่าพรอครูบอกว่าคนรับใช้นั้นต้องการเพียงความรักความเมตตาหาใช่เกียรติยศหรือชื่อเสียงไม่และตราดใดที่ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ตราดนั้นข้าพเจ้าก็คงได้รับความรักความเมตตาเป็นแน่นอนก็พุทธเ น, นียค่ะเอออเอาใช่ไหมอ๋อต่เอเลยกร า, าบน้ำมัสการค่ะเจริญธรรมค่ะพวกเราทุกคนค่ะ พวกเราอยู่กันในชุมชนนี้อบอุ่นนะคะแล้วก็โชคดีมากที่มีพ่อท่านพานําเราให้รู้จักความรักในระดับต่างๆไม่งั้นเราก็เห็นกับตัวอยู่แค่นั้นนะคะศิกมาศคิดว่าวันนี้ความรักมิติที่4ี่เนี่ยมันเป็นการกระจายความรักออกไปเน่นะคะมันจะมีความทุกข์น้อยลงค่ะเหมือนอย่างที่ฝั่งบอกเน่นะคะเราอาจจะงานหนักงานเยอะนะคะศิกมาศก็เข้ามาอยู่ อโศกเนี่ยส0กว่า ป, ปีแล้วเนี่ยทำงานหนักมาตลอดแต่ก็มีความสุขนะคะมันเป็นความสุขในใจเพราะมันได้ลดความอุปทานติดยึดผูกพันว่าเป็นของเราอะไรต่างๆเนี่ยออกไปนะคะเราทำเพื่อผู้อื่นนะะเรามีความสุขกลับคืนมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นระดับยิ่งชาตินิยมนะนะคะ เราไม่มีคนทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกรักชาติจนน้ำลายไหลนะใช่ไหมคะอยากจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จะทำเพื่อชาติแต่ไม่ใช่จริงๆก็ทำเพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองแต่พวกเราเนี่ยค่ะได้ลดละกิเลสถือศีล น, นะคะเป็นคนกินน้อยใช้น้อยขยันขยันนะคะ <c oughs> พ่อท่านสอนเราเนี่ยมักน้อยสันโดษแต่ต้องขยันด้วยนี่นะคะพวกเราก็ทำจนเป็นสายเลือด ไม่เพียงแต่เป้าฝั่งเท่านั้นอีกหลายๆคนของชาวโศกเป็นเช่นนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าลักษณะของอาชีพต่างๆที่เป็นบุญนิยมเนี่ยแหละค่ะที่พ่อท่านพาเพื่อเราทำเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเพื่อมวลมุดกชาตินะคะจะเป็นระดับที่ที่4ที่หออกไปได้ไกลกว้างไกลพราะเราได้ทตัวของเราเองแล้วนะคะโดยการที่มีศีลได้ลดละกิเลสแล้วจริง เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถทำได้ค่ะคนอื่นที่เขาตั้งใจจะรักชาติเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นอัตราตัวตนหรือว่าทำเพื่อผลประโยชน์อยู่เนะี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะมีบุญมากเลยนะคะที่ได้รู้แนวของการดำเนินชีวิตนะในมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นค่ะแล้วเราก็แม้หนักเราก็มีความสุขแต่เราไม่หนักใจค่ะกลับนะมาสักการค่ะอ้าวนี่ เอาละหมดเวลาพอดีนะหมดเวลาวันนี้รู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มาถึงมิติที่สมิติที่หขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะเราพูดมิติที่หนึ่งที่สองมันก็เข้าเนื้อเข้าตัวอะไรมันก็ไม่ค่อยจะอะไรแต่พอมาถึงมิติที่4่ที่หเนี่อรู้สึกว่าเออพะเราเข้าใจดี เนี่ยมีความซับซึ้งหรือว่ามีแง่เชิงที่เห็นในในัยยะต่างๆดีขึ้นแสดงว่าศึกษาความรักสิมิติไม่เสียเปล่าได้ประโยชน์เกิดความรู้ความเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการมไม่ใช่เป็นเรื่องแต่ฟังโ ก, โก้ฟังเฉยๆไม่ใช่ เป็นเรื่องจริงเลยที่พูดไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราพูดนี่ ก, กําลังเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็พยายามนะตอนนี้ที่จริงๆเน้นอีกทีนึงว่ามิติที่สี่เนี่ยแหละของเราเนี่ยแหละทำให้มันดีๆเธอไอ้ตัวนี้เป็นตัวชัดเจนเลยที่เราจะต้องได้ปฏิบัติอย่างมากอย่างตรงเลยมิติที่สเนี่ยนะถ้าเราทําอันนี้ได้คล่องดีปับ๊บอันอื่นๆมันก็จะได้ผลตามไปหมดเลย อ้าสลรับวันนี้ก็พอแค่นี้จเจริญธรรม ท, ทุกคน